หรือที่แปลว่าผ้าอรหันเนี่ยนะาอรหรันที่ที่เอามาแสดงในครั้งนี้เนี่ยนะเป็นพระพุทธคุณที่ยกมาจากวิสุทธิมรติสมาธินิเทศกับในอัตถาพระวินัยนะสมันตะปาสาธิกาข้างล่างสุดเลยนะบรรทัดล่างสุดเลยนั่นคือบอกที่มาของเนื้อเรื่องที่จะแสดงต่อไปเนี่ยนะ อาศัยเข้าโครงจากพุทธานุสตินิเทศในวิสุทธิมักและดีกาเนี่ยนะดีกาแล้วก็ยกข้อความในพระสูตรอื่นๆมาประกอบอีกซึ่งแสดงตามนัยยะของวิสุทธิมักอัตกถาและดีกาอัตกถาพระวินัยและดีกาเนี่ยนะเพราะผู้ที่จะศึกษาพุทธคุณแบบชั้นโบราณจริงๆเลยนะก็ดูได้จากวิสุทธิมักและดีกาอัตกถาพระวินัยและดีกา แต่ว่าที่ที่เอามาแสดงเนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งก็เอามาจากที่อื่นๆด้วยเช่นข้อความที่เป็นพระสูตรเนี่ยนะยกมาจากคัมภีร์อื่นๆมาประกอบเพื่อให้เข้าใจพุทธคุณบทนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นในหน้าหนึ่งเลยนะภาษาบาลีที่สวดกันก็คือสวดว่าอิติปิโสพะขวาเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นข้อความที่เรานิยมแปลกันเนี่ยนะแม้แต่คําว่า อรหังเป็นต้นเ น, นี่ยนะที่จริงแล้วหนายเดียวนะที่ที่เอามาแปลกันเช่นคําว่าไกลจากกิเลสนะมันแต่ละบทแต่ละบทซึ่งมีความหมายอย่างกว้างขวางแต่ที่เข้ามาแปลในสมัยทุกวันที่เราได้ยินได้ฟังกันเนี่ยน ะ, ะเขาให้พอเป็นตัวอย่างว่างั้นแต่เป็นคําแปลพอเป็นตัวอย่างเช่นว่าคําว่าอรหันเนี่ยนะโดยมากก็แปลว่าไกลาจากกิเลสใช่ไหมเขาแปลให้พอเป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้แปลได้แค่นั้นเท่านั้นเนี่ยนะนะคำว่าตัวอย่างของเข้าใจ ถ้าเรามาดูคําแปลแบบโบราณนะโบราณนี้เขาจะใส่อิติปิไปทุกๆุทกบทเลยอย่างเช่นบอกว่าโสพคะวาอิติปิอรหังเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุแม่นี้พระพุทธเจ้านี่นะเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุแม้นี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไอ้คำว่าเหตุแม้นี้เนี่ยนะต้องเอาไปใส่ในพุทธคุณทุกๆบทเลยเช่นอิติปิสัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะ ตรัสรู้ธรรมมาทั้งปวงโดยชอบและด้วยพระองค์เองเพราะเหตุแม้นี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเพราะเหตุแม้นี้อิติปิวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเพราะเหตุแม้นี้อิติปิสุขโตเป็นผู้รู้แจ้งโลกเพราะเหตุแม้นี้อิติปิโลกาวิทูเป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเพราะเหตุแม้นี้ อิติปิอนุตรโรปุริสธรรมะสารติเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเหตุแม้นี้เรียกว่าอิติปิสาถาเทวมนุษย์สารังเป็นผู้เบิกบานแล้วเพราะเหตุแม้นี้อิติปิพุโทโธเป็นผู้จำแนกพระธรรมเพราะเหตุแม้นี้อิติปิภควาเนี่ยนะก็จะมีคําว่าอิติปิไปในทุกๆบทเลยเนี่ยนะเพราะเหตุแม้นี้เพราะฉะนั้นผู้ที่นอบน้อมพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่า อรหังสัมมาสัมพุธทธพระควาแล้วก็กราบเท่านั้นเนี่ยนะบางคนที่เขามีศรัทธามากเขาบอกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ระลึกในอรหันตคุณเสร็จแล้วเขาก็กราบเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ใหม่พระพุทธเจ้าหรือว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุแม้นี้เขาก็ระลึกถึงความหมายของคําว่าสัมมาสัมพุทโธเสร็จแล้วเขาก็กราบพระพุทธเจ้าที่เป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะ แล้วบอกเออพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเพราะเหตุแม้นี้ก็ตามและลิกในวิชาจารณะทั้งหมดของพระองค์แล้วก็กราบไปเนี่ยน ะ, ะคนเขาผู้ที่เจริญพุทธคุณมากๆเขาก็จะเจริญในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นบางช่วงเขาจะแปลเลยนะว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมเนี่ยนะว่าอารหันตังสนะิระสารมามิเนี่ยนะสัมมาสัมพุทธังสระนังฆาชามิหรือว่าสัมมาสัมพุทธทงาานะังสิระสารนามิอะไรเงี้ยเขาจะนอบน้อมไปทุกๆบทเลยนะ ในทุกๆพุทธคุณเมื่อเมื่อเขาเจริญไปแล้วนะเขาเช่นเขาเจริญตั้งแต่ยกในในหน้าสองหน่ยนะนะเขาก็จะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์แม่นี้เนี่ยนะเขาจะตามระลึกทั้ง11ความหมายอย่างเงี้ยแล้วก็น้อมกราบไปเนี่ยนะน้อมกราบแต่ถ้าหากว่าคนที่มีศรัทธา ม, มากกว่านั้นอีกก็พระพุทธเจ้าไกลาจากกิเลสเนี่ยนะทั้งหลายพร้อมทั้งวาสนาก็ก้มกราบครั้งหนึ่งก่อนนะนะ แล้วก็เจริญใหม่มางั้นพระพุทธเจ้าทําลายฆ่าสึกคือกิเลสเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ลดลึกไปโอภะองค์ทําลายยังไงเสร็จแล้วก็กราบพุทธคุณเหล่านั้นเขาจะเจริญอย่างเงี้ยทุกๆุกบทไปเลยเนี่ยนะอันนี้เขาเน่ยกระได้กราบทั้งวันได้งั <laughs> ้นกราบพระพุทธเจ้าทุกเง่มุมมางั้นเลยนะถ้าเจริญแบบนั้นก็ได้เนี่ยนะหรือว่าขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้ไกลจากกิเลสอย่างเงี้ยนะขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้ทําลายฆ่าสึกคือกิเลส ขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้ทําลายซี่กรรมแห่งสังสาราจาัจหรือว่าขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้ควรนะขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้ไม่มีความลับในการกระทําบาปอย่างงี้นะขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้ไกลจากคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะขอนอบน้อมแด่พระองค์ผู้ใกล้ต่อคนดีทั้งหลายนี่นะลักษณะนี้ก็ได้นี่นะนั่นจะขอนอบน้อมไปทุกๆบทไปเลยนะผู้ที่ที่เจริญแบบ จเจริญด้วยศรัทธานะีจะคำว่ า, านอบน้อมก็คือนอบน้อมคาระวะเคารพนับถือบูชาเทิดทูนไปนั่นเองนะอข้อความในหน้าสองนะี่นะข้อ1ถึงข้อ5ตามแบบของอัตกถาเนี่นะเป็นการแสดงตามแบบอัตกถาทั้งสมันตะปาสาธิกาและวิสุทธิมรักษ์นี่นะนะส่วนข้อ6ถึงข้อ11นะเป็นการแสดงตาม สารัตถีปณีดีกาพระวินัยแล้วก็เป็นการแสดงตามปรมัธมัญชุสาดีกาของพระวิสุทธิมรรคเนี่ยนะอันแสดงทั้งสองนายหน้าหน้าสองเนี่ยนะที่ยกมาเนี่ยก็คือให้ไปจานั่นเองนะว่าคนที่เรียนอรหังจบนะถ้าจำความหมาย11บข้อนี้ไม่ได้ก็ก็ไปทำให้จาได้กันแล้วกันควรทรงจำนะทั้ง11บข้อเนี่ยนะที่ที่จริงเป็นความหมายโดยโย่อนะ ข้างหน้าที่เราจะเรียนต่อไปทั้งหมดนี่ก็คืออธิบายหน้า2โดยพิสดารเท่านั้นเองนะแต่ว่าในหน้าหน้า2นี่คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะศึกษากันต่อไปทีนี้ก็มาดูแบบพิสดารเลยนะในหน้าสาพระผู้มีพระภาคนั้นบัณฑิตเพิ่งทราบ ว, ว่าเป็นรรพระอรหันต์เพราะเหตุเหล่านี้ก่อนคือ1เพราะเป็นผู้ไกลเนี่ยนะมาจากบาลีว่าอารัตตา สเพราะทรงทำลายฆ่าศึกทั้งหลายอารีนังหตัตตาสามเพราะทรงทำลายซี่กรรมแห่งสังสาระจักรทั้งหลายมาจากบาลีว่าอรานังหตัตตา 4. เพราะทรงเป็นผู้ควรซึ่งปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะปัจยาทีนังอรหัตตา 5. เพราะไม่มีความลับในการกระทำบาปปาปรกรเนระหาภาวะเนี่ยนีย่ทั้ง5้าความหมายที่จะเราศึกษาต่อไป ความายอย่างที่หนึ่งเลยนะพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์เพราะเป็นผู้ไกลคําว่าไกลก็ต้องเทียบเคียงกับกับใกล้คนไกลจากกิเลสก็ถ้าจะเห็นชัดก็เอาคนมีกิเลสมาเทียบดูถ้าคนมีกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้ามิได้เป็นเช่นนั้นเลยเนี่ยนะลักษณะนี่นะเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ไกลคือทรงดํารงอยู่ในพระคุณอันไกลแสนไกลาจากสภาวกิเลส พราะทรงกำจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งวาสนาด้วยอริยมรรคเพราะฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าผ้าอาหารเพราะเป็นผู้ไกลและท่านประพันธ์เป็นคาถาว่าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระองค์ใดไม่ทรงมีความพร้อมเพียงด้วยกิเลสและไม่ทรงมีความพร้อมเพียงด้วยโทษทั้งหลายใดพระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งของโลกพระองค์นั้นชื่อว่าทรงห่างไกลจากกิเลส และโทษเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งของโลกจึงได้พระนามว่าพาตอาหารคําว่าวาสนาที่ขีดเส้นใต้เอาไว้ข้างบนนั้นอธิบายว่าคําว่าวาสนาก็คือความสามารถพิเศษอันตั้งลงเพราะกิเลสเนี่ยนะอันเป็นเหตุแห่งประโยคะหรือประโยคเนี่ยนะความประพฤติล่วงมาทางกายทางวาจาที่เหมือนกับประโยชค่ะหรือพฤติกรรมของคนที่ยังละกิเลสไม่ได้เนี่ยนะ แห่งพระขีนาศบแม้ว่าท่านละกิเลสได้แล้วหมายคือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อท่านเป็นพระอรหันต์พฤติกรรมบางอย่างดูเหมือนคนมีกิเลสมากันเถอะเหมือนอย่างที่เป็นเหตุแห่งการเปล่งวาจาว่าถอยของท่านพระปิรินทวชะพระปิรินทวชะนี่จะถามว่าไปไหนมาคนถ่อยมาเลยคนถ่อยมีธุระอะไรคนถ่อยจะมีว่าคําว่าถอยเนี่ยไปด้วยติดตดิด้วยไปทุกคําทุกคําไปเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมก็แกล้งบอกว่า ได้อะไรมาคนถ่อยบอกขี้หนูครับเ e uh, ออขี้หนูไอ้ที่จริงแกขนดีปลีมานะอันนั้นเป็นขี้หนูไปหมดเกลี้ยงเลยนะแไปว่าตามท่านนี่ท่านบอกว่าอะที่จริงขนดีปลีมาใช่ไหมแต่ไม่ชอบเลยพระ อ, องค์นี้มาเรียกเราว่าถอยนะบอกขนอะไรมาขนถ่อยบอกว่าดีเอขี้หนูครับเออขี้หนูมันก e uh, ็เป็นขี้หนูหมดทั้งเกวียนนั่นแหละต้องไปว่าใหม่บอกขนอะไรมาบอกดีปีครับเหมือนกันเออดีป e uh, ีก็ดีปีเป็น เพราะฉะนั้นคําเหล่านี้เนี่ยนะมากว่าพระอาหารท่านก็ยังละไม่ได้เพราะว่าท่านเกิดเป็นวันณะพรามมาห้าร้อยชาติด้วยกันเพราะฉะนั้นคนอื่นนี่มีแต่ต่ําหมดอ่ะท่านสูงอยู่คนเดียวว่างั้นนะ ไ, ไอ้ไอ้ที่สะสมแบบนี้มาห้าร้อยชาติติดตกันเนี่ยนะคําพูดประเภทนี้ก็ชินอนะ่ะแต่ว่าจิตที่ดูถูกดูมินเหยียดย้มคนอื่นไม่มีในจิตเลยสักอย่างเดียวอนะไม่มีหรอกแต่ว่าพูดตามความเคยชินเฉยๆเท่านั้นเองอย่าง มีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเ้า น, นิมนต์ภาษาริบุตรไปไปฉันที่บ้านเขา่ะนะท่านก็ไปทีนี้ระหว่างมันฝนตกใช่ไหมมันก็มีแอ่งน้ำไหลายลแอ่งข้างหน้าภาษาริบุตรเห็นน้ําท่านก็กระโดดไปโยมก็ตั้งใจว่าจะถวายผ้าท่านสักสามผืนเห็นท่านกระโดดผืนหนึ่งก็ลดไปผืนหนึ่งนะทีนี้ก็ไปเห็นน้ําอีกบอ่อนึงท่านก็กระโดดอีกครึ่หนึ่งไปนงอะนะก็ก็ล ด, ดอีกผืนเหลือผืนเดียวที่นี้ พอไปเห็นน้ําอีกที่หนึ่งท่านก็เดินลุยน้ําลงไปบอกทําไมท่านไม่กระโดดอีกบอกว่าเดี๋ยวโยมจะได้ไมาอดถวายผ้าว่า ง, งั้นท่านก็รู้ะนะแต่ถามว่าทำไมท่านจึงเห็นน้ําแล้วกระโดดก็อุปนิสัยบางอย่างที่เคยเกิดเป็นลิงอยู่หลายชาตินะนะอุปนิสัยอันนั้นทําให้เห็นน้ําแล้วก็กระโดดแต่ว่าจิตที่เป็นเหตุให้กระโดดไม่ได้เกิดจากโทสะไม่ได้เกิดจากโลภะไม่ได้เกิดจากโมหะแต่เป็นมหากิริยาธรรมจิตติรุปทําไปนะเพราะฉะนั้นไอ้วาสนาหรือความเคยชินอันนี้พระ้าหัน ธรรมดาทั่วไปละไม่ได้พระประเจก็ละไม่ได้ผู้ที่ละได้คือพระพุทธเจ้าอย่างเดียวความจริงแล้วจิตของพระอรหันต์เนี่ยนะชาวนะของท่านมีจิตสองชาติเท่านั้นเนี่ยนะโดยความนึกคิดของพระอรหันต์หนึ่งชาติกิริยาในในขณะทั่วๆไปนะจิตของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นมหากิริยาเว้นไวแต่ชาติวิบากนะแต่แต่ชาวนะของท่านที่เป็นเหตุให้ท่านพูด ท่านยืนท่านเดินท่านนั่งท่านนอนเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นกิริยาทั้งนั้นเลยแต่ว่ากิริยาอันนี้ซึ่งอุปนิสัยที่ที่เคยเกิดเป็นบางอย่างมานะก็เป็นเหตุให้อาจจะดูไม่เรียบร้อยในทางกายและทางวาจาเนี่ยนะแต่ว่าที่จริงแล้วกิเลสอย่างนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวาสนาเหล่านั้นท่านไม่มีพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ มีความบริบูรณ์ครบถ้วนไม่มีเพล而这งั้นแต่อัเพล而ไปแบบลักษณะความเคยชินอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มีอย่างเด็ดขาดเลยทีนี้ย้อนมาที่ว่าพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ไกลหรือว่ามีพระคุณอยู่ไกลแสนไกลจากสัพพกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะเราก็มาเทียบว่ากิริยาอาการของคนมีโทสะอย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนคนเหล่านั้นเลยกิริยาของคนเป็นโลภะเนี่ยนะหรือจิตเขามีโลภะเนี่ย เป็นอย่างไรเนี่ยนะไม่ว่าทางกายทางวาจาทางใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนโง่เขลาทั้งหลายมีกิริยาอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระองค์นี้ทรงกำจัดกิเลสเหล่านั้นทั้งหมดด้วยอริยมรรคขยานใช่ไหมอริยมรรคมีทั้งหมดเท่าไหร่อริยมรรคเนี่ยนะ ม, มีองค์8แต่ว่ามีสี่มรรคอริยมรรคเนี่ยนะองค์ของมรรคต้องมีองค์8ใช่ แต่ว่าระดับของมรรคแบ่งออกเป็น4ระดับอันนะ้องค์มรรคแปประกอบด้วย1 น, นะสัมมาทิฏฐิ 2, สสัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติ8สัมมาสามาธิอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประชุมกันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เกิดขึ้นครั้งแรกเรียกว่าโซดาปฏิมรรค โซดาปฏิมากรนี้ทําลายกิเลสอะไรหนึ่งละส ก, กายทิฐิเนี่ยนะละทิฏฐิทั้งปวงว่างั้นเถอะละทิฏฐิทุกชนิดเนี่ยนะทิฏฐิหกละขณะนั้นแหละเนี่ยนะละเด็ดขาดเลยนะเพราะนั้นใครจะไปเสี่ยมสอนให้พระโสดาบันเนี่ยนะมีทิฐิเกิดขึ้นทิฐิใดทิฐิหนึ่งนอกจากสัมมาทิฏฐิเป็นไปไม่ได้สอนให้ท่านสําคัญว่ารูปเป็นอัตาเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเป็นอัตาสอนท่านไม่ขึ้นว่างั้นเถอะ เพราะว่าเชื่อให้คิดแบบนั้นหมดแล้วหรือว่าไปสอนให้พระโสดาบันว่าอัตตาอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยท่านก็ไม่มีอีกหรือไปสอนพระโสดาบันว่าโอ้เนี่ยนะมันมีภพใดภพหนึ่งที่เที่ยงอยู่นะเมื่อคุณไปปฏิสนธิในภพนั้นแล้วคุณจะเที่ยงเลยพระโสดาบันก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าขึ้นชื่อว่าภพมีเที่ยงไหมไ ม, ไม่มีเที่ยงเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้สําคัญผิดอะไรเลยแล้วอย่างหนึ่งใครบอกว่าจะไปบริสุทธิ์ในภพนั้นภพนี้ ท่านก็ไม่เชื่อเพราะความบริสุทธิ์มีด้วยด้วยอะไรความบริสุทธิ์มีด้วยภพใช่ไหมความบริสุทธิ์มีด้วยอะไรความบริสุทธิ์ทั้งหลายบริสุทธิ์ด้วยมรรคเนี่ยนะไม่ได้บริสุทธิ์ด้วยภพใช่ไหมไม่ใช่ว่าโอ้โหจะบริสุทธิ์เพราะเกิดในวันนั้นที่เรียกว่าบริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์เพราะไปเกิดเป็นเทพชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วจะบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ความบริสุทธิ์จะมีได้ด้วยมรรคมีองค์8เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่สอนอย่างอื่นให้ท่านท่านก็ไม่่เชือ หรือถ้าหากว่าใครไปบอกว่ามีนะขันใดขันหนึ่งที่เที่ยงนะเช่นรูปประคันบางอย่างเที่ยงนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางอย่างมีเที่ยงอยู่นะที่ท่านยังพิจารณาไม่ถึงพระโสดาบันทั้งหลายก็ไม่เชื่อเพราะท่านทําปริญญารู้แล้วว่าขันห้าไม่มีเที่ยงสักอันเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไปสอนให้พระโสดาบันเกิดทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งก็ ท่านไม่เชื่อเนี่ยนะท่านจะไม่มีทิฏฐิแบบนั้นเลยมิจฉาทิฏฐิจะไม่เกิดขึ้นในในจิตของท่านเลยเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยละทิฏฐิอันนี้ได้เด็ดขาดที่เรียกว่าสกายยทิฏฐิสกายยทิฏฐินั่นแหละเป็นที่ตั้งของทิฏฐิทั้ง62เนี่ยนะเป็นที่มาของลัทธิอุเฉททิฏฐิสัตตทิฏฐิทั้งหลายแหล่ก็เนื่องจากสัตตทิฏฐินั่นเองเนี่ยนะเออขอไปสกายยทิฏฐินะเนื่องมาจากสกายยทิฏฐิเพราะฉน สกายาทิฏฐิที่เป็นอุดเฉดมีห้าใช่ไหมที่เป็นศาสตะมีสิบห้าใครที่ยึดถือว่ารูปเป็นอัตตานะพวกนั้นจะลักษณะของอุดเฉดททิฏฐิเนี่ยนะเช่นถ้าใครสําคัญว่ารูปว่าสมองนี่แหละเป็นอัตตาละเป็นตัวสัตว์ละหรือหัวใจนี่แหละเป็นอัตตาหรือว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในในกายเนี่ยนะถ้าสําคัญว่าสิ่งเหล่านั้นนนั้เป็นอัตตานะ พวกนี้เป็นอุเฉททิฐิถ้าสิ่งเหล่านั้นดับก็แสดงว่าว่าศูนย์ถามว่าทําไมเขาจึงเป็นอุเฉททิฐิเพราะอะไรเพราะไม่รู้อะไรเขาจึงเป็นอุเฉททิฏฐิเพราะไม่รู้ปัจจัยของขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้นเขาจึงเป็นอุเฉททิฐิเนี่ยนะเนื่องจากไม่รู้สมุทัยของรูปปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เป็นต้นนะเขาจึงเป็น อุเฉททิฏฐิแต่ถ้าเนื่องจากเขาไม่รู้ความเสื่อมของขันทั้งหลายเหล่านั้นนนั้นเขาจึงเป็นสัสตทิฏฐิเพราะฉะนั้นเห็นเหตุเกิดกับความดับจึงละส ก, กายททิฏฐิแล ะ, ะละอุเฉททิฏฐิและสัสตตทิฏฐิอันนี้แบบตะทางคะนะผู้ที่พิจารณาอย่างนี้มากๆแล้วปฏิบัติเพื่อเบือนนายคลายกําหนัดจากในขันห้า เนี่ยนะบนรรลุอริยมรรคครั้งแรกเรียกว่าเป็นพระโสดาบันที่ทเนี่ยละได้เด็ดขาดจริงๆเลยอย่างหนึ่งนะหนึ่งละทิ่ิีสองละวิจิกิจชาเนี่ยนะความสงสัยในพระพุทธเจ้าว่าพราะองค์เป็นพระอรหันต์เป็นต้นนะพระโสดาบันไม่สงสัยในพุทธคุณเลยแต่ไม่ใช่ว่าท่านรู้พุทธคุณหมดนะแต่หมายว่าท่านไม่สงสัยเลยนะเพราะว่ามีศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมอยู่แล้ว ไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระารหันจริงไหมไม่สงสัยพระพุทธเจ้านี้เป็นสัมมาสัมพุทธะจริงไหมท่านก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีวิชาจรณะหรือว่าพระพุทธเจ้าโลกวิทูจริงหรือเปล่าเนี่ยนะพุทธคุณแต่ระบบแต่ละบทที่เขาศึกษาเขาไม่ได้สงสัยเลยเขามีศรัทธาขนาดนั้นเขาไม่สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าคําสอนทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความพ้นจากวัฏฏทุก์เขาก็ไม่สงสัยนะ เพราะเขามั่นใจได้เลยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงๆแล้วก็พระโสราบันอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่สงสัยในพระสงฆ์เนี่ยนะไม่สงสัยเลยว่าว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีจริงๆถามว่าทําไมเขาจึงไม่สงสัยทําไมพระโสราบันจึงไม่สงสัยในข้อปฏิบัติของพระสงฆ์เเพพพพรรราาาาะะว่่สง์ินนตมุทธจ้อยูลค เพราะท่านก็หนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ในจํานวนผู้ปฏิบัติดีนะท่านหนึ่งในผู้นั้นนั่นนะเขบอกว่าผู้ใดเป็นสุปฏิปันโนท่านก็หนึ่งในนั้นผู้ใดเป็นอุชูปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิตปฏิปันโนท่านก็หนึ่งในจํานวนนั้นด้วยท่านเลยไม่ได้สงสัยเลยเนี่ยนะเพราะคุณธรรมนั้นมีอยู่ในในตัวท่านหมดเลยแล้วท่านไม่สงสยัยในอริยมรคมีองค์8ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้ว่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะ ท่านไม่ได้สงสัยในสิขาเหล่านี้เลยดงั้นท่านจึงละวิจิกิจช้าได้หมดเลยแล้วพระโสดาบันเนี่ยนะท่านละกิเลสอีกอย่างหนึ่งคือศีลผ้าตะปรามมาดข้อปฏิบัติอื่นที่นอกจากอารยมรคมีองค์8เนี่ยนะท่านไม่ได้ไปปฏิบัติข้อปฏิบัติอื่นนอกจากอารยมรคมีองคปดเลยท่านไม่ได้ถือว่าความบริสุทธิ์นี่เกิดจากศีลไม่ได้ถือความบริสุทธิ์นี้เกิดจากอย่างอื่นเลยแต่ท่านถือความบริสุทธิ์เพราะอาศัยอะไร อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เท่านั้นแหละที่จะทำให้ศาสตร์ทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยนะเพรา ะ, ะท่านจึงไม่ได้สงสัยในสิกขาถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะถึงพร้อมด้วยโสตาปฏิยังฆ่าธรรมอย่างนี้ไปนะหนมั่นคงในพระพุทธสองพระธรรม3พระสงฆ์เนี่ยนะแล้วก็อะไรอีกศีลดีเนี่ยนะมีศีลที่ยั่งยืนมีศีลที่ไม่ขาดไม่ดังไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยแล้วก็เป็นศีนที่วินยูชนไม่ ไม่ติเตียนเนี่ยน ะ, ะริสยาคนอื่นเนี่ยนะพระโสดาบันก็ไม่มีความตนีทีเหนียวพระโสดาบันก็ไม่มีเนี่ยนะละความตนีได้หมดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโสดาบันก่อนนะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะท่านก็เกิดขึ้นโดยลำดับมรรคพอโสดาปฏิมรรคของพระองค์เกิดขึ้นนะก็ทำลายกิเลส ท, ทั้งหลายเหล่านี้ออกไป ถามว่าทำลายกิเลสเหล่านี้แล้วยังทำลายอย่างอื่นอีกไหมโซดาปฏิมักทำลายเฉพาะกิเลสอย่างเดียวใช่ไหมทำลายอย่างอื่นอีกไหมทำลายเฉพาะสากายยะทิธิวิจิกิจฉาสีละพัตตะปรามมาทำไรหรือว่าทําลายอย่างอื่นอีกทําลายชาติที่แปดอีกภพที่แปดนี่นะปฏิสนธิเป็นมนุษย์ในภพที่แปดไม่มีอีกแล้วสําหรับท่านเรียกว่าสัมโพทิประยายโนข้างหน้าตรัสรู้แน่นอนเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพที่แปไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสาที่จะมีได้เดี๋ยนะแล้วอะไรอีกอบายสเนี่ยปิดหมดอบาย4ีเนี่ยนะนรกเกรดอสุรกายศาสเดรฉ า, านไม่มีแล้วสําหรับท่านที่จะไปปฏิสนธะิณะที่นั้นหรือแม้แต่มนุษย์ก็จะไม่เกินเจชาติถ้าเป็นเทวดาก็อาจจะเลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปปริณิพานที่สุทาวาสเนี่ยนะยัง นางวิสาขาก็จะไปปรินิพานที่สุทาวาสอนาถบินทิกาเศรษฐีก็จะปรินิพานที่สุาาทาวาสท้าวสกะก็จะปรินิพานที่สุทาวาสยังมากมีแต่เลื่อนเลื่อนนเลื่เลื น, ลนแล้วจะไปปรินิพานในในชั้นสุทาวาสถ้าไม่ก็ปรินิพานในชั้นนั้นๆไปเลยเนี่ยนะถ้าท่านอินทรีย์แก่กลา้าเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนั้นทําลายสังโยชน์ทาลายการปฏิสนธิในอบายทั้งหมดทําลายภพที่8ทั้งหมดเลยนะ ถ้าเป็นพระสะกาทาคามีละ่สะสกาทาคามีก็คือทาลายโทสะสมมุติถ้าคนโกรธเนี่ยเนต์ี่ยนะท่านละโทสะได้ 50% ว่างั้นะแล้วก็ทำลายกามราคะเนี่ยนะกิเลสที่ยินดีในกามาคูณเนี่ยได้อีก5 0 0ถ้าคนทั่วไปชอบแบบเท่านี้นะท่านก็นละได้ครึ่งหนึ่งอ่ะเห็นนะเรียกว่าทำราคะโทสะให้เบาบางเนี่ยนะทให้เบาบางไปอีกครึ่งนึ่ง และก็ทำลายบอกว่ามนุษย์เนี่ยท่านจะมาเกิดอีกแค่ชาติเดียวแล้วท่านเลือกตระกูลเกิดได้นะถ้าท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์นี่นะพิเศษอย่างหนึ <that S 2> ่งจะเอาตระกูลไหนดีเลือกเกิดได้นะจะเอาตระกูลกริย์ตระกูลพรามตระกูลชนิดไหนก็ได้เลือกตระกูลเกิดได้เพราะฉะนั้นท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินครั้งเดียวเนี่ยนะถ้าจะมานะก็ท่านเลือกได้อยู่แล้วท่านคงไม่ไม่แล้วเนาะ แต่ไม่แน่นะถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะสมัยพุทธกาลสมัยที่คนเขาฝักใฝ่ในพระธรรมคำสอนจริงๆเลยนะท่านอาจจะมีอัธยาศัยนักบวชท่านอาจจะมาเนี่ยนะอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้บวชจะได้ลีกเล่นได้อะไรได้ก็แล้วแต่อธยาศัยทีนี้ยังมีอารยมรรคอันอื่นอีกต่อไปเนี่ยนะโดยที่มีสกะทาคามิมรรคเป็นอุปนิสยัยมรรคต่อไปก็คืออนาคามิมรรคเนี่ยนะอนาคามิมรรค ละกิเลสอะไรโทรสะนี่นะพระโสดาไอพระอนาคามีไม่โกรธอีกแล้วใครจะตัดหัวท่านท่านก็ไม่โกรธการมาราคาเนี่ยพระอนาคามีก็หมดแล้วเหมือนอุบาสกคนหนึ่งนี่นะเขาเขาเป็นพระอนาคามีอะ่ะแล้วกลับบ้านกลับบ้านก็เขามีพันยาอยู่หลายคนน่นะตามตามลักษณะของคนอินเดียนะไปถึงนี่เรียกพันยามาหมดเลยบอกว่าเออเนี่ยนะถ้าหากว่า เธอจะกลับไปอยู่บ้านก็ตามใจนะเหมือนกันหรือว่าจะอยู่ที่นี่ก็ใช้จ่ายกันไปใช้ทรับกันไปหรือใครจะมีสามีใหม่ก็ได้นะเหมือนกันมีคนหนึ่งเลยบอกว่าฉันขอมีสามีใหม่บอกอา้าไปก็ <c oughs> ไม่ได้ห่วงห้ามไม่นึกโกรธแม้แต่นิดเดียวนะเพราะความโกรธนี้ไม่มีและโอถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปนี่แทบจะตัดหัวทิ้งเลยมั่งเนาะฉันเขาก็ไม่โกรธแล้วนะเขาก็ไม่มีจิตคิดเป็นอื่นเลยนะ แล้วก็ผ้าผ้านาคามียนะปกติท่านรักษาศีลสิบนะแล้วก็ไม่ขุดดินด้วยนี่นะไม่ไม่ซื้อขายเองนี่นะนี่คือเป็นปกติวิสัยของพระนาคาเมีนะนมนมเยน ะ, ะนเขาไม่ได้ชอบพวกดอกไม้นี่หรอเขาถ้ายังชอบดอกไม้ก็เป็นพระนาคามีไม่ได้หรอก <c oughs> ถ้าดอกไม้ยังดูเอ้ยดูอะไรก็งามไปหมดนะตรงนี้ก็ถ้าจะบรรลุได้บ้างก็คงเป็นพระโสดาบันมั้งเนาะ แต่ถ้าเป็นพระนาคามีแล้วดอกไมน้นี่ไม่ก็คือเห็นตามความเป็นจริงอ่ะนะก็ดูธรรมดาไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นอา ร, รมณะที่ปฏิปัจจัยของท่านเนี่ยนะท่านไม่ได้ว่าโอ้มันงามดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเนี่ยนะนั่นะก็เห็นพิจารณาธรรมดาไปอย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าเป็นพระนาคามีเนี่ยนะตัดการมมาโลกออกหมดเลยมนุษย์จะไม่มาปฏิสนธิเด็ดขาดเทวดาทั้งหกชั้นก็ไม่เกิดละเพราะฉะนั้นท่านจะเกิดในพรหมโลกอย่างเดียว พรหมโลกคือสามารถเกิดในพรหมโลกได้ทุกชั้นแต่โดยส่วนทั่วๆไปแล้วจะนิยมเกิดในชั้นสุทธาวาสจะปฏิส้อนที่ในชั้นสุทธาวาสซึ่งเป็นภูมิที่บริสุทธิ์ว่า ง, งั้นสุทะบวกอาวาสนะนะที่อยู่ของผู้บริสุทธ์ว่า ง, งั้นเรียกว่าสุทธาวาสสุทธาวาสมีกี่ชั้นมี5ชั้นนะหนอวิหา2อัอตตาสามสุทธาสสี สุทัศนีแล้วก็อกกนิฐานี่นะมีอยู่ห้าชั้นด้วยกันเป็นภูมิของพระอนาคาเมอู้สบายเลยอายุเกินห้าร้อยกับทั้งนั้นเนี่เนี่ยนะถ้าสุทาวาสนะเกินห้าร้อยกับเนี่ยนะมีความสุขทายเดียวเป็นต้นเนี่ยนะเป็นโอ้โหหลายร้อยกับเลยนะน่าสนใจนะไม่ต้องไม่ต้องอยังห่วงอาหารอีกอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นพระอนาคามีล้วก็เป็นภูมิที่ไม่มีอาหารแล้วไม่มีกับพิริงกราหาน พรหมโลกไม่มีกับผลิงับราหารโดยที่สุดแม้แต่อาหารทิพไม่มถีถ้าเทวดาเนี่ยนะถ้าเทวดานี่เขาก็จะอาศัยอาหารแต่ถ้าเป็นของพรหมเนี่ยนะอาศัยชานเป็นต้นนั่นเองเดีย๋ยวนะไม่ต้องอาศัยกับผลีกัราหารคือถ้าพูดแบบสำนวนในหนึ่งก็เป็นวัตถุปโปร่งแสงชนิดหนึ่งเท่านั้นเองที่มีกรรมเป็นปัจจัยนะที่โดยที่ไม่ต้องอาศัยอาหารจากภายนอกมาหล่อเลี้ยงแต่ถ้าเทวดาก็เป็นประเภทพวกก็ยังอาศัยข้างนอกมาหล่อเลี้ยงนะท่านก็ ดึงโอชาทเทวะสุทาโภชนะของเทวดาก็มากินอิ่มแล้วก็อยู่ได้แล้ะแค่นึกเขาก็อิ่มแล้วนะแต่ถ้าเป็นของพรมแล้วไม่ต้องอนะ่ะคือถ้ายังชอบอาหารอยู่นะหมดสิทธิ์ที่จะได้ฌานเพราะก็ต้องเห็นโทษของของของพวกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะเห็นโทษของมหาพูดแนะ่บนั้นเถอะเห็นโทษของกาลมคุณห้าเขาจึงเจริญฌานได้อันพระนาคามีเนี่ยนะก็จะมีความสุขอยู่กับฌานทั้งหลาย แต่ท่านยังมีกิเลสคือพระนาคามีนะหนึ่งยังมีรูปปาราคะคือยังยินดีในรูปประชามอยู่ยังมีอรู ป, ปราคาหมายว่าท่าน ย, ยังยินดีในอรูปประชามอยู่เนี่ยนะท่านมีมานะเนี่ยนะท่านยังมีมานะว่าท่านเนี่ยนาคามีนะแต่ก็มานะตามความเป็นจริงอ่ะนะตามความเป็นจริงซึ่งท่านเป็นอานาคามีแล้วท่านก็บอกว่าคนอื่นก็ไม่ได้เป็นอานาคามีอ่ะนะแต่แล้วอย่างหนึ่งก็ท่านยังมีอุทจจะอยู่ ยังฟุ้งซ่านเป็นบางครั้งนี่นะขณะที่อกุศลเกิดเนี่ยนะอุทะจะสัมปยุตติจิตยังเกิดอยู่แล้วพระนาคามียังมีโมหะยังมีกิเลสคือโมหะอยู่เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่ยินดีในภพเนี่ยนะเห็นอริยสัจไหมขณะนั้นขณะที่เพลิดเพลินในภพแสดงว่าไม่พิจารณาภพภพสมุ ท, ทยัยภพนิโรธภพนิโรธาคามินีปฏิปทาก็ไม่ได้พิจารณาใช่ไหมไม่ได้พิจารณาเลยว่าพรมทั้งหลายก็คือวิบากและกรรมมาชรูปใช่ไหม วิบากกรรมชรูปก็คือนามขันหรือรูปขันก็คือขันท่าขันท่าทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังเรียกว่าทุกอยู่ทุกทุกขสมุ ท, ทยัยทุกขานิโรธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาในขณะที่ท่านเพลิดเพลินอย่างนั้นอยู่ท่านก็ไม่พิจรารณาเมื่อไม่พิจรารณาอันนั้นก็เป็นอวิชชาของท่านเนี่ยนะเป็นอวิชชาของท่านนะนะซึ่งท่านมัวแต่เพลินอยู่นะมัวแต่ชอบอยู่นะน้อ <c oughs> งเราเดาไม่ถูกหรอกศึกษาเอาไว้กราบเอาไว้ไหวอย่างเดียว เอาไว้ว่านี้สารณะของเราดีอย่างนี้นะเท่านั้นแหละแต่เราไปจินตนาการไม่ถูกว่าคงอย่างนั้นมั้งคงอย่างนี้มัม้งไม่ไม่ไม่ใช่ฐานะเลยนะคนที่ปกตินอนไม่เคยหลับมาเลยเนี่ยนะไม่รู้หรอกคนนอนหลับเขามีความสุขแค่ไหนนะนั่นแหละทีนี้ต่อไปถ้าผ้าหันเนี่ยทำลายกิเลสได้ทุกชนิดเนี่ยนะทั้งทั้งกิเลสที่ยินดีในขันที่เป็นอดีตทั้งหมดเลยนะก็ละหมดกิเลสที่ปรารถนาในภพทุกชนิดผ้าหันก็ ละหมดนี่นะกิเลสที่ยินดีเพลิดเพลินในขันที่เป็นปัจจุบันทุกชนิดพาหันก็กําจัดกิเลสเหล่านั้นได้หมดด้วยอํานาจของอรหัตตะมักแล้วอรหัตตะมักนี่นะตัดเชื้อแห่งการปฏิสนธิในทุกๆภพนี่นะพาหันจะไม่มีปฏิสนธิในภพใดเลยจานวนที่พระสารีบุตรท่านจะอธิบายก็คือว่าถ้าทิ้งจักษุอันนี้นะอย่างพระพุทธเจ้าท่านทิ้งจกักษุคือตาตาเนื้อนั้นและพระองค์ก็ไม่ถือเอาตาอันใหม่อีก เนี่ยนะพระพุทธเจ้าทิ้งหูนั้นเนี่ยนะก็ไม่ถือเอาหูอันใหม่อีกพระพุทธเจ้าทิ้งจมูกก็ไม่ถือเอาจมูกอันใหม่อีกทิ้งลิ้นก็ไม่ถือเอาลิ้นอันใหม่ทิ้งร่างกายก็ไม่ถือหากายอันใหม่ทิ้งวิญญาณหรือความคิดก็ไม่ถือเอาจิตอันใหม่อีกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะกิเลสที่เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภพนั้นๆของท่านสิส้นแล้วสิ้นแล้วต่างจากเราใช่ไหมของเราเนี่ยนะทิ้งต า, น, านี้จะเอาตาแบบไหนดี อนนตามสมควรแก่เจตนานะทิ้งหูอันนี้แล้วเอาหูแบบไหนทิ้งจมูกอันนี้แล้วจมูกแบบไหนทิ้งลิ้นอันนี้แล้วหาลิ้นแบบไหนใหม่ทิ้งกายอันนี้แล้วหากายแบบไหนทิ้งผมอันนี้แล้วไปหาผมแบบไหนอีกเนี่ยนะทิ้งฟันทิ้งหนังทิ้งเนื้ออันนี้แล้วไปเอาเนื้อแบบไหนเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะสมควรแก่เจตนาเหมือนกันเถอะเนี่ยนะแล้วก็ทิ้งปฏิสนธิจิตอันนี้แล้วเออขออภัยทิ้ง รวังขจิตทิ้งจุติจิตอันนี้แล้วเอาปฏิสนธิหมายอันหมอันไหนเอาแบบไหนอีกปฏิสนธิจิตทั้งหมดมีเท่าไหร่ <19. S 1> ปฏิสนธิจิตทั้งหมดมี19บเนะสิอะไรบ้างเนี่ยนะดูที่ว่าเราจะเลือกเอาปฏิสนธิอันไหนดีนะสิประกรอบด้วยอุเบกขาสัมปยุตสองดวงคืออุเบกขาสันตินะนะสดวงอ่ะที่ทํากิจปฏิสนธิอ่ะ ถ้าดวงหนึ่งก็ปฏิสนธิในะอบาย4อีกดวงหนึ่งก็เป็นมนุษย์กับเทวดาที่เป็นประเภทเนี่ยนะมนุษย์กับประเภทบาปใบบอดหนวกหรือพวกอายุสั้นๆทั้งหลายแหล่นะพวกอายุสั้นๆพวกตายในครันเป็นต้นเนี่ยพวกที่เกิดมาพิกลพิการตั้งใจออกเนี่ยนะพวกนี้โดยมากปฏิสนธิแบบประเภทอุเบกขาสันติรณะที่เป็นผลของกุศ ล, ลวิบากที่เป็นมนุษย์นะเนี่ยนะพวกนี้ส่วนหนึ่งก็บุญที่ไม่มีกําลังมอบนีนะ บาปอย่างอื่นก็มาตัดรอนมาเบียดเบียนให้พี่กองพิการเป็นต้นได้แล้วปฏิสนธิด้วยมหาวิบากอีก8มหาวิบาก8นําเกิดได้กี่ภูมิมนุษย์หนึ่งเทวดาเอกหกเนี่ยนะเกิดได้กามาสุกติภูมิ7เนี่ยนะถ้ารูปราวจรวิบากก็ทําให้เกิดในพรหมปฐมชาญก็ทําให้เกิดนเนี่ยนะพรหมมาปริสาชาพรหมรารมปาปโรหิตาแล้วก็เกิดเป็นมหาพรหมหรือว่า ปริตตาาปริตตาสุ อ, أ, อัประมาณนสุภาหรือว่าอาภัสราเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฌานชั้นสูงๆนะก็จะให้ผลเป็นวิบากชั้นสูงๆต่อไปทีนี้ใครได้ฌานก็ของโมทนาด้วยนยะมุทิตาด้วยวังนั้นแสดงว่าไปดีแนะนะ่ระดับพรหมโลกเลยแหละถ้าฌานไม่มีสามารถปฏิสนธิด้วยจิตได้ประมาณสิดวงคืออุเบกขาสันติณะสองมหาวิบากอีก ทีนี้มหาวิบากนี่นะดวงไหนดีหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดปดดวงไหนดีที่สุดดวงที่หนึ่งเออนะดวงที่หนึ่งนี่มีอะไรบ้างคุณสมบัติเขาหนึ่งอสังขาริกสองยาณสัมประยุทธ์สาโสมนัสทีนี้คุณเวลาวันลองนึกดูว่าไอ้กุศลอันนี้ทำไว้เมื่อไหร่กุศลแบบนี้เกิดตอนไหนบ้างในชีวิตนะเนีย่ยนะกุศล น, นั้นเนี่ยนะเช่นยกตัวอย่างนะให้ทานนะ เห็นเวลาจะให้เนี่ยโสมนัทมีกำลังมากคิดจะให้เองแนละ้วไม่มีใครมาบอกแนะนำเลยแล้วก็มีปารบกรรมในเบื้องหน้านี่นะปารบกรรมในเบื้องหน้าถามว่าทานแบบนี้เคยทำไหมเนีย่ยนะก็คือว่าให้มันดูเหตุหน่อยนะว่ามันพอจะมีผลหรือเปล่านะมามาวัดดูทีนี้ศีนเารักษาศีนเลยนะศีนดวงที่หนึ่งอสังคาริกมั่นคงมากรักษาศีนเนี่ยนะ ดีใจมากที่ได้สมาทานศีลสามปารลตํ ร, รเป็นเบื้องหน้ามีกรรมสกตาอันนี้เรียกว่ายาณสัมปยุตเป็นไปกับศีลเคยรักษาศีลแบบนี้ไหมขณะไหนบ้างะนะนี่ทีนี้เอาภาวนาเนะี่ยเจริญสมถาภาวนาแบบอสังขาริกญาณสัมปยุตมีปัญญาประกอบเนี่ยนะมีไหมหรือวิปัสนาเนี่ยพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะพิจารณาด้วยจิตที่เป็นอสังขาริกญาณสัมปยุตมีปัญญาประกอบมีไหม ก็ถ้าจะเลือกเอาวิบากดวงที่หนึ่งก็ต้องเหตุเหตุแนแต่ถ้าไม่ได้ดวงที่หนึ่งเอาดวงที่สองก็ยังดีเนา ะ, อะเอาไป เ, เาไป็นดวงวงที่สองก็ยังดีสมมานะแต่นะสะสังขาริกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็แต่สังเกตดูนะกุศลประไปชวนนะชองไงมันต้องไปเองอ่ะสังขาลิกเนาะแต่แต่เท่าที่สังเกตนะถ้าเป็นประเภทบุญประเภทวิปัสสนานะ หรือประเภทสมถาวิปัสนาชั้นสูงแต่ที่สังเกตนะออกมาสังเกตดูจะเป็นอุเบกขาการซะส่วนใหญ่ทำว่าทำไมเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องลึกซึ้งขนาดไหนนะคนที่นั่งฟังแบบมีความสุขหาน้อยมากสังเกตดูฟังแบบอุเบกขาซะส่วนใหญ่นะก็คือดีไหมดีชอบไหมก็ธรรมดาไม่ได้เพิดเพลินอะไรเป็นพิเศษเลยนะจะเป็นกุศลประเภทอุเบกขา ถ้ายิ่งฟังทำด้วยนะจะดูถีน่าจะสลับเยอะเหมือนกันนะถ้าบุญประเภทนี้ให้ผลนำเกิดก็จะแย่เหมือนกันถ้าถ้าปฏิสนธิแบบมกุศลอันนี้นะให้ผลนําเกิดนะชาติหน้าสงสัยแบบนิยมนอนเนี่ยนะสายอาจจะทําที่พักสักแข่งหนึ่งนะเป็นพิเศษหน่อยเนี่ยเอาก็อุปนิสัยไงเป็นจริตนะเอสมมุติว่าอย่างอย่างกุศลจิตที่ที่กำลังฟังทำเนี่ยนะก่อนที่กุศลอันนี้จะเกิด ทั้งกุศลหรืออกุศลหรืออัธยาศัยอะไรก็ช่างอันนี้จะไปเป็นอุปนิสัยของพบหน้าด้วยนะหรือว่าฟังทำจบไปไปนคนหงุดหงิดเป็นต้นเนี่ยนะวิบากข้างหน้าต่อไปก็จะสมควรกับเ ห, เหตุเหล่านี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะแต่งภพใหม่ก็แต่งตั้งแต่จิตในขณนะนี้นั่นแหละเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะไอการฝึกอย่างนี้เขาเรียกว่าสีเลนะสุขติงยันติใช่ไหมไอถามว่าเจตนาเป็นตัวศีลใช่ไหมเจตนาเป็นศีลตัวที่นำเกิดคืออะไรก็เจตนานั่นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าฝึกเจตนาได้ตั้งแต่นี้ดีก็เลือกเกิดได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังขารูปปฏิสูตรเนี่ว่าผู้ที่ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาปรารถนาเกิดอะไรก็ได้ปรารธนาเกิดเป็นมนุษย์มหาศาลกษัตริย์มหาศาลพราหม์มหาศาลหรือเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานารดีหรือแม้กระทั่งปรารธนาพรห ม, มโลกก็สําเร็จเนื่องจากองค์ประกอบ5้าอย่างนี่นะเห็นไหมคุณบุญชูเปนะ็นจําแม่นแล้ว มันชูเอาอะไรดี <c oughs> มันชูเขาจาแน่นอ่ะนะศภาศีนสุตะจาระปัญญานเนี่ยนะ น, นี่เขาคาศัตรัอยู่นะตอนนี้แกว่าเจริญพุทธคุณใหญ่โตเลยนะเอามีใบอันหนึ่งพกเขาว่างเง น, นพกก่อนเกเร ว, ว่านอนไปกับพุทธคุณตื่นมาก็ตรึกต่อยของเง้นบอกยังไงยังไงก็แบ่งบุญกันม้าง <c oughs> <c oughs> นอนกับพุทธคุณ <c oughs> นอนกับพุทธคุณตื่นมาตรึกต่อไปอีกของเัิน นะก็ทําได้นะก็อนุโมทนาด้วยนะอันถ้าอันนี้ก็เป็นเป็นตัวนําเกิดได้นะนะัเพราะฉะนั้นพบใหม่ต่อไปก็เนื่องจากเจตนาเหล่านี้เนะี่ยถ้าใครแต่งความคิดได้ดีปฏิสนธิในพบหน้าก็ดีแต่งจิตได้ไม่ดีพบหน้าก็จะสมควรแก่แก่ความคิดอันนี้เพราะว่าทุกๆความคิดมีเจตนาเกิดร่วมด้วยเจตนาตัวนั้นแหละเป็นตัวกรรมเจตนาบางอย่างให้ผลนําเกิดใช่ไหมเรียกอะไร เจตนาที่ให้นําเกิดเรียกอะไรเรียกชนก ก, กรรมเนี่ยนะเจตนาบางอย่างเข้าไปอุปธรรมในภพหน้าเจตนาที่เข้าไปอุปธรรมเนี่ยนะเช่นคนนิยมให้ทานเนี่ยนะไอเจตนานี้ไปอุปธรรมให้เป็นคนมั่งมีพัว น, นี้ก็เป็นอุปธรมภกกรรมหรือว่ากรรมบางอย่างเป็นตัวนําเกิดอุปธรมภกกรรมประเภทไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยนะทำให้อายุยืนเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอุปธรมพกกรรมนี่ก็ควรทำไว้ให้เยอะๆ เ, เนี่ยนะแล้วก็ เจตนาบางอย่างก็เป็นอุปปีรักกรรมเช่นไปเบียดเบียนอกุศลได้เนี่ยนะถ้าเป็นบุญนะไปเบียดเบียนบาปบางอย่างได้หรือว่ากุศลบางอย่างไปตัดรอนบาปบางอย่างออกไปได้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าแต่งเจตนาได้ดีๆนะเท่ากับแต่งพบใหม่ดีเนี่ยนะผลของเจตนาเอาถามว่าเจตนาอันนี้เที่ยงไหมกุศลเหล่านี้เที่ยงไหมเอาแล้วผลของบุญเที่ยงไหมล่ะ เอาเหตุก็ยังไม่เที่ยงเลยแล้วผลจะไปเที่ยงได้ยังไงนาะเพราะฉะนั้นผลของบุญก็ไม่เที่ยงอันแหล้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเพลิดเพลินในผลของบุญเท่าไหรนะ่เนาะเพราะผลของบุญนี่แหละที่มาต้องมาปวดมาเมื่อยมาก <c oughs> ถามคุณเจ้าอมดูแบบนั้นนะนี่ผลบุญนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าเนี่ยนะทําลายกิเลสทั้งหมดเนี่ยนะถ้าทําลายกิเลสได้แล้วเนี่ยนะกิเลส ถูกทำลายหมดกรรมก็ไม่ให้ผลนําเกิดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ถือเอาพบอันใหม่แม้แต่พบใดพบหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นใครจะไปตามหาปฏิสนธิวิญญาณของพระพุทธเจ้าหาไม่พบอย่างแน่นอนไปตามหาปฏิสนธิที่ท่านในอบายทุกหนแห่งก็หาไม่พบไปตามหาในมนุษย์พบใดพบหนึ่งก็หาไม่ได้ไปตามหาในเทวดาก็หาไม่ได้ในพรหมโลกก็หาไม่ได้ในอรูปประพรมก็หาไม่ได้เพราะวัาตะมีภูมิสาอยู่เท่านั้นเองนี เพราะฉะนั้นถ้าพ้นจากนี้แล้วก็ถือว่าทําลายหมดแล้วเขาจึงมีคำถามว่าอ้าวไฟเนี่ยนะไฟที่เอามาจุดถ้าเชื้อมันหมดแล้วเนี่ยนะไฟนี้เวลาลุกเนื่องจากอาศัยเชื้อเพลิงใช่ไหมถ้าเชื้อเพลิงมารวมกองกอ ง, กองสมสมแล้วก็ไม่หมดแล้วเนี่ยถามว่าไฟอนันเนี่ยหายไปไหนไฟนั้นหายไปไหนพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนอย่างนั้นนั่นแหละโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับไฟกองโตๆนะ ที่ไหมเพราะฟืนกลุ่มยหญ่ๆเลยไหมจนหมดฟืนหมดแล้วเนี่ยนะหมดเชื้อเพลิงหมดแล้วถามว่าไฟอันนั้นไปไปที่ไหนเพราะฉะนั้นมารทั้งหลายหาปฏิสนธิของพระองค์ไม่พบเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าผู้ที่จะได้คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะต้องเห็นโทษในภพสามเป็นเป็นอย่างแรงอะนะนะถามว่ามองเห็นภพสามเนี่ยเป็นยังไงท่านยึงะละได้ ภพสของพระอรหันต์เนี่นะเหมือนกับกองเพลิงเหมือนนเถอะท่านยังถึงว่าภพสามไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานี่คล่องแคล่วมากกําลังของพระอรหันต์นะเห็นขันห้าเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในทุกพภพภูมิเนี่ยชำนาญมากมองเห็นโลภะที่เพลิดเพลินในภพสาเหมือนหลุมฐานเพลิงแล้วก็จิตของท่านน้อมไปในสติปทานสี่สัมมาปทานสี่โดยที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระอรหันต์ชํานาญมากเหมือนน พระพุทธเจ้านั้นละกิเลสเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งหมดไม่ใช่อยู่แค่นั้นแม้กระทั่งวาสนาทั้งหลายแหละท่านก็ละได้หมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีกายกรรมที่เรียบร้อยที่สุดเนี่ยนะมีวจีกรรมที่เรียบร้อยมากมนโนกรรมก็ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นในพรหมายุสูนเนี่ยนะลูกศิษย์ของพรหมายุพรามเนี่ยนะติดตามดูพระพุทธเจ้านอนมากนะติดตามดูหลายเดือนหเดือนด้วยกัน ติดตามดูแล้วหาข้อบกพร่องแม้แต่หน่อยหนึ่งไม่เจอเลยนะยะว่าลูกศิษย์ของพระมายุพรามเลยแม้แต่พยมานนะติดตามหาช่องหาเรื่องอยู่นานแต่ก็หาข้อผิดพลาดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยทาลายกิเลสพร้อมทั้งวาสนาในส่วนเหล่านั้นนั้นได้หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยนะอันนี้คือความเป็นพระอรหันต์ของของพระองค์เนี่ยนะแต่ถ้าหากว่า ข้อความในมหาอสสปุรสูตรนี่นะกล่าวถึงความคำว่าอารหันว่าอย่างไรภิกษุชื่อว่าอารหรันว่าเหล่าอากุศลธรรมอลามกอันให้เศร้าหมองนำให้เกิดในภพใหม่ให้มีความกวนกวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปอันภิกษุนั้นกำจัดเสียแล้วอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าอารหรันคาว่าอารหันคือคนที่ทาลายกิเลส ที่เป็นเหตุให้นําปฏิสนธิในภพใหม่ได้หมดแล้วภิกษุเช่นนั้นแหละเรียกว่าอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าภิกษุเหมือนกันนะนพระองค์ก็เรียกว่าภิกษุเหมือนกันเหมือนในจังกีสูตรนะนะอ่าไม่ใช่ที่กากาปฏิกะมานพไปถามนะนะจังกีสูตรนะในจังกีสูตรเนี่ยพระองค์ก็คําว่าภิกษุนี่บางทีก็เป็นชื่อของพระองค์เนี่ยนะหรือในชีวการสูตรคําว่าภิกษุก็เป็นชื่อของพระองค์เหมือนกัน พรันคำว่าภิกษุเนี่ยรวมถึงพระพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นอากุศลธรรมอัลลามกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐุจริตกิเลสทุกอย่างทุกชนิดที่เศร้าหมองแล้วก็กิเลสเหล่านี้เป็นอุปนิสัยแห่งการเกิดในพบใหม่ที่มีความกวนกวายมีวิบากเป็นทุกเนี่ยนะ เอ๊ะถ้าหากว่านรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวิบากที่เป็นทุกข์เนี่ยนะก็เห็นสมจริงด้วยถามว่าแล้วมนุษย์หรือวิบากที่เป็นเทวดานี่เป็นทุกข์ตรงไหนหเป็นพรหมโลกด้วยทุกข์ตรงไหนทุกข์ไหมถ้าปฏิสนธิในในเทวดาหรือปฏิสนธิในพรหมโลกทุกข์ไหมคุณเวลาวาันทุกข์ไหมอ๋ อ, อคนอื่นว่าไง ก็เกิดเป็นมือหรือเกิดเป็นเทวดามันทุกยังไงก็ดีออกใช่ไหมทุกข์เพราะไม่เที่ยงก่อนแล้วนะทุกข์เพราะไม่เที่ยงหรือทุกข์เพราะว่ายังมีราคะโทสะโมหะมานะทิฐิยังมีเชื่อให้ปฏิสนธิอันใหม่อีกครั้งหนึ่งอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งจากภพน้อยสู่ภพใหญ่จากขันอันหนึ่งถือเอาอีกขันอันใหม่อย่างเงี้นะในกําเนิด4คติหวิญญาณทิฏฐิเจ็ 7, ตวาดเก้ากับมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนี่ยนะ ก็เหมือนกับเช้าสายบ่ายเย็นค่ำตื่นเช้าสายบ่ายเย็นค่ำก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยแหละเนี่ยกแต่ก็ดีออกไหมบางคนก็ชอบนะโอดีเนี่เช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นค่ำเช้าสายบ่ายเย็นค่ำเช้าสายบ่ายเย็นค่ามากกี่ปีแล้วล่วละเคยเบื่อไมหมล่ะเนี่ย น, นะพรุ่งนี้อีกแล้วโอ้ยพรุ่งนี้จะมีอีกแล้วปืนนี่จะมีอีกแล้วแต่ก็ดีนะเพราะว่าโอ้ปะลืนนี่มีงานเลี้ยงเปืนงานนัดตรงนั้นไปเจอคนนี่นะนัดกันโอ้โหมีแต่เที่ยวสังสรรค์โอ้ะชอบใหญ่เลย นั่นแหละเรียกว่ายินดีในพบในชาติเป็นลักษณะนั้นเลยตรงโน้นก็ยังไม่เคยเห็นตรงนี้ก่อน่าสนใจตรงนั้นก่อนหน้าดูตรงนี้ก่อนหน้าชมไปหมดเลยนี่ก็ไปอีกน้ อ, นองั้นไ่ไม่ต้องห่วงหรอกแต่ก็เชื่อไม่ว่าพาทุกข์ไปด้วยนะทีนี้ข้อความในคาถาธรรมบทเนี่ยนะยกย่องที่ที่พระ อ, องค์แสดงว่าพระอาทิตย์เนี่ยนะย่อมสองแสงในกลางวันนี่นะ พระอาจารย์ก็ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนกษัตริย์ทั้งหลายทรงเครื่องรบแล้ว ย, ย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพ่งเนี่ยนะย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ก็คือพวกที่ใคร่ครวนพวกที่เพ่งเยอะๆเนี่ยนะจะรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนพระพุทธเจ้านี่มีเดชหอย่างด้วยกันนะรุ่งเรืองด้วยเดชทั้งห้าอย่างคือเดชแห่งศีลเนี่ยนะเดชแห่งคุณคุณธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้า ด้วยเดชแห่งปัญญาของพระพุทธเจ้าด้วยเดชแห่งบุญของพระพุทธเจ้าด้วยเดชแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอันพระพุทธเจ้านี่รุง่งเรืองทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยเดช5ประการเหล่านี้นะนี่ก็ข้อความในคาถาธรรมบทอั้นความหมายของคําว่าอรหังในที่หนึ่งคือไกลจากกิเลสเพราะกําจัดข่าศึกคือกิเลสเนี่ดยด้วยอริยมรรคทั้งหมดแล้วก็ทําลายวาสนาได้หมดแล้ว ส่วนข้อ2องเลยเนาะพระผู้มีพระภาคเป็นผ้าอรหันเพราะทรงทําลายค่าศึกทั้งหลายเนี่ยนะอารีนงตางหตตาปิอรหังอันหนึ่งแม้ค่าศึกทั้งหลายคือกิเลสเพราะประพฤติแต่ความเสียหายพระผู้มีพระภาคนั้นทรงทําลายเสียแล้วด้วยมักฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าพระอรหรันเนี่ยนะกิเลสเนี่ยนะสร้างแต่ความเสียหายให้เลยนะ ทีนี้ถ้าถ้าถามว่าเอ้กินเวลาโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะสร้างความเสียหายอะไรให้เกิดขึ้นบ้างเอาเห็นไหยคุณเจอมถ้าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยสร้างความเสียหายอะไรให้บ้างนะบอกว่าเออราคะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะสร้างแต่ความเสียหายให้สัตว์ทั้งหลายใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าถ้าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะสร้างความเสียหายอะไรให้บ้างมันเห็นไหะถ้าโกรธเขาก็เผาใจตัวเองใช่ไหมนะให้วิบากเป็นทุกข์ ถบัคพุทธพจน์บางแห่งก็บอกว่าคนโกรธย่อมไม่รู้อ <Jub ilee> ัดเนี่ยนะนะคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเนี่ยนะก็บอกว่าภัยที่เกิดขึ้นในภายในคนโกรธก็ไม่รู้สึกคนโกรธไม่เห็นอัดคนโกรธไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ถูกความโกรธครอบงำก็มืดหมดเนี่ยนะคนโกรธย่อมไม่เห็นประโยชน์ตนไม่เห็นประโยชน์ของผู้อื่นไม่เห็นประโยชน์ของทั้ง2ฝ่ายคนโกรธไม่เห็นประโยชน์ในโลกนี้ไม่เห็นประโยชน์ในโลกหน้าไม่เห็นประโยชน์ อย่างยิ่งเนี่ยนะขณะที่โกรธมาเนี่ยนะคำสอนทึกทักนึกออกไหมขณะที่โกรธจริงๆเนี่ยนึกถึงทุกกษัตริย์สมุทัยสัตว์มรรกษัตริย์อะไรมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าขณะที่โกรธเนี่ยนะทานกุศลเกิดไหมไม่เกิดศีลกุศลเกิดไหมไม่เกิดภาวนากุศลก็ไม่เกิดเนี่ยนะบุญกิจวัตถุสิบสักอย่างจะเกิดไหมขณะที่โกรธไม่เกิดเลยทานบารมีศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจอาทิฐานเมตตาอุเบกขาเวลาโทสะเกิดเนี่ยนะโกรธแล้วเนี่ยเห็นไหม ไม่เห็นถ้าโกรธพ่อแม่แล้วนึกถึงคุณของพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยสร้างความเสียหายโดยประการทั้งปงวงมานะเหมือนกับไฟที่มันเกิดเผาไหม้บ้านเนี่ยนะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่บ้านอะไรเลยมีแต่ทําลายหมดโทสะก็เหมือนกันถ้าเกิดขึ้นก็ทําลายอย่างนั้นนะกุศลศีลทั้งหลายเนี่นะเจะตุปาริสุทิศีลก็ไม่เหลือเลยเวลาที่โกรธขึ้นแล้วเนี่ยนะทานกุศลพอที่จะให้ได้ดังมากมายก็ให้ไม่ได้เนี่ยนะนะอัน กิเลสทั้งหลายสร้างแต่ความเสียหายให้อย่างเดียวทีนี้ถ้าโมหะเนี่ยเอ๊ะไม่รู้นี่มันสร้างความเสียหายยังไงบ้างเอาถ้าโทสะก็อาจจะเห็นชัดถ้าโมหะเนี่ยนะถ้าไม่รู้สะอย่างเนี่ยสร้างความเสียหายอะไรให้บ้างก็ถามหมายว่าถ้าหากว่าคนมีตาแล้วนะแล้วหาอะไรมาปิดตาให้มันบอดท้าวล่ะกแล้วก็มองไม่เห็นแล้วปล่อยให้เดินทางเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่ตาบอดไปแล้วนะ ถ้าไม่มีคนแนะนําด้วยนะไปเป็นคนหัวเดียวกะเทียมเรียบนะไปอยู่ที่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครรู้จักเสร็จ แ, แล้วก็ตาบอดด้วยแล้วปล่อยให้เดินทางถ้ายิ่งเดินทางเข้าป่าด้วยแล้วเนี่ยนะยิ่งอันตรายฉันได้คนที่ถูกโมหะครอบงำไม่เห็นอริยสัจเนี่ยนะท่องเที่ยวไปในสังสารวัตก็ไม่ต่างอะไรจากที่ว่าไปเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นสัตว์ในอบายทั้งหมดเนี่ยนะนี่คือผลของโมหะทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าเดรชาเนี่ยมากไปด้วยโมหะ แล้วก็สัตว์แต่ละตัวแต่ละตัวที่ดําเนินชีวิตไปนั่นเป็นผลของโมหะทั้งนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเรานี่ยังละโมหะขณะนี้ไม่ได้นะก็ยังไม่ได้พ้นจากทุคติเหล่านั้นนั่นเลยถ้าหากว่าเห็นสัตว์ในน้ําคล่ําเห็นสัตว์ในที่สกปรกส ม, มมทั้งหลายนะี่อย่าคิดนะว่าเราพ้นจากสภาพแบบนั้นแล้ว น, นะถ้าหากว่าเห็นเปรตหรือเห็นนสุรกายเดราาัจฉานหรือว่าเห็นสัตว์นรกทั้งหลายอย่าไปพึ่งไปคิดว่าเราพ้นจากสภาพแบบนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะโมหะ ยังปกปิดอยู่เนี่ยนะเพราะยังไม่เห็นอริยสัจเลยเนี่ยนะอริยสัจอยู่ตรงไหนดิอริยสัจอยู่ตรงไหนใครดิมายพุพินกันแล้วกันอริยสัจอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนอ น, น, น, นะนะ อริยสัตว์มันอยู่ตรงไหนมูลนิราวันบอกว่าอยู่ที่จิตเจตสิกของแต่ละท่านนั่นแหละเป็นทุกขาริยสัตวนะครับถูกอี ก, ก น, เนะเนี่ยนะลืมตาทำตาปริบๆนั่นแหละอริยสัต์อยู่ตรงนั้นแหละทุกขสัตริย์อยู่ตรงเนี้ยกระพริบตากระปริบกระปริบนั่นแหละใช่ไหมอา้าวถามว่าจักรครูเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมใช่ตัณหาแต่การก่อนเป็นปัจจัยให้มีจกักรครูอันนี้เป็น สมุทัยศัต์เนี่ยนะถ้าดับตัณหาเป็นเหตุให้มีจักขคู่แล้วดับจักขคู่อันนั้นเป็นนิโรศตรต้องอาศัยข้อปฏิบัติคือมรรคศาตร์เนี่ยนะได้ยินเสียงของมาทุกคำนะจิตที่ได้ยินเสียงเนี่ยนะทั้งเสียงทั้งจิตที่ได้ยินเสียงนี่เป็นทุกขศัสตร์หมดเลยตัณหาในการก่อนเป็นเหตุให้มีหูอันนี้เป็นสมุทัยศัสตร์เนี่ยนะถ้าดับตัณหาแล้วก็หูก็ไม่มีอีกใช่ไหมอันนั้นเป็นนิโรศศาตร์ข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้หู และสมุทัยทํานิโรธให้แจ้งนั้นเป็นมกษัตรพรันธ์ได้ยินเสียงทุกคำนะถ้าใข้ครวญก็อริยสัจก็อยู่ตรงนั้นแหละเนี่ย น, นะหายใจทุกเข้าทุกครั้งเนี่ยถ้าเนี่ยนะก็ไปอริยสัจเหมือนกันเนี่ย น, นะแม้กระทั่งกลืนน้ํำลายก็รู้รสนีขนาดนั้นก็ถ้าพิจารณาก็อริยสัจก็อยู่ตรงนั้นเห็นนะร่างกายตั้งแต่หวจรดเท้าก็อริยสัจก็อยู่ตรงนั้นนั่ น, น, หจจ น, น, นแหละทุกๆความคิดก็เป็น อริยสัตเนี่ยนะถ้าพิจารณานะแต่ว่าภาริยะทั้งหลายท่านเป็นภาริยะเพราะท่านพิจารณาสิ่งเหล่านี้นะั่นแหละพิจารณาทั้งภายในพิจารณาทั้งภายนอกเนี่ยนะพิจารณาทั้งเหตุเกิดทั้งความดับแต่ถ้าหากว่าไม่เจริญอันนี้นะก็เท่ากับตาบอดอีกต่อไปถ้าตาอยากตาสว่างมากๆก็ต้องพิจารณาอันนี้ให้มากๆแต่ถ้าไม่พิจารณาก็เป็นคนตาบอดต่อไปทีนี้ถ้าตาบอดนะโอ้ยปล่อยให้คนตาบอดเดินทางเนี่ยนะลำหน้าสงสารที่สุดเลยนะ ก็บอกว่าเป็นเหมือนกับเกลียนที่หมุนไปในใกล้เหวอะนะไม่รู้จะตกไปตรงไหนตกไปสู่ชาติทีนี้คําว่าชาตินี่ก็ไม่ได้มีที่เดียวใช่ไหมปฏิสนธิหรือเรียกว่าชาติเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ก็มนุษย์มีมีชาติเดียวที่ไหนมีประเทศเดียวที่ไหนมนุษย์ในโลกนี้มีกี่พันล้านแล้วตอนนี้มนุษย์ในโลกนี้มีกี่พันล้านละประมาณสามพันสี่ร้อยกว่าล้านนะไม่ไม่ทราบบางท่านก็บอกว่าประมาณห้าหกพันล้านนะบางท่านก็ว่างั้น เนี่ยนะเขาบอกว่าประมาณห้าหกพันล้านนะประมาณหกพันล้านเนี่ยนะมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยประมาณนี้หกพันล้านถ้าเมืองไทยก็หกสิบสองล้านแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหขอไปนะไม่รู้ว่าจะไปปฏิสนธิในคันของผู้หญิงคนไหนต่อไปอีกไม่รู้จะไปนอนพุกเอาจำนวนพูกการว่านะการบอกไม่รู้จะไปกินน้ําคร่ําอยู่ตรงไหนอีกไม่รู้ มีสิทธิ์หมดเลยว่างั้นน่ยมองเห็นใครเนี่ยโอ้โหมีสิทธิ์อยู่ในครันก็ได้หมดเลยนะเนี่ยแล้วอันนี้เฉพาะมนุษย์นะนี่นับว่าดีแล้วนะสุขติยังมีต่ํำกว่านั้นนะเห็นแมลงทุกตระกูลเนี่ยนะพวกนั้นสามารถเป็นบรรพบุรุษของเราให้หมดเลยนะเป็นสามารถเป็นโคดของเราได้เลยนะถ้าไปปฏิสนธิเป็นพวกนั้นอ่ะนะนะวงตระกูลของปลวกไนงะตระกูลของมดตระกูลของแมลงตระกูลผึ่งทั้งหลายแหล่นะี่นะมีสิทธิ์เกิดได้หมดในนะั้นอะ่ะ แล้ว่าถ้าต่ำไปกว่านั้นอี่ก็ลึกยากไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังมีอวิชานะถ้าไม่แทงตลอดอริยสัจในทวารหกนะก็ยังไงก็ไปอีกแน่นอน น, อนะหยุดไม่ได้อยู่แล้วเนะเพราะวิชาเป็นเหตุเนี่ยนะยังพาไปอยู่ยังหมุนไปอยู่เพราะฉะนั้นอย่าง น, น้อยที่สุดเนี่ยนะนะลืมตาก็ให้นึกถึงเออจากขูจากูสมุทัยจากคูนิโรธให้นึกนึกหน่อยก็ยังดีนะ ไ ม, ไม่ยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรว่าให้มันนึกนึกคิดคดอย่างนี้บ้างเถอะอันนี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจันทร์นะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะคิดอะไรก็ให้เอาเรื่องนี้มาคิดเหมงอนกันจถอะนะ น, นี่แหละเออจักขูจกัจกขูส ม, มุทยัยจกักขูนิโรธจกักขูนิโรธถ้ า, ามินิปฏิปทา น, นี่แหละโอเนี่ยได้ยินเสียงโสตะโสตสมุทยัยโสตนิโรธเนี่ยนะทุกทวารหกแปลงฟันก็ทันตะทันตะสมุทยัยทันตะนิโรธล้างหน้าก็เนะีตะโจตะโจสมุทยัยตะโจนิโรธอย่างเงี้ยนะโกนวดก็ โลมาโลมาสมูทายโลมานิโรธโลมานิโรธทั า, ามินีปฏิปทามีบ้างสักหน่อยก็ยังดีขัดเล็บล้างเล็บก่อนนักขานัขาสมูทยายนัขานิโรธนัขานิโรธทั า, ามินีปฏิปทาเนี่ยนะก็ให้มีซะบ้างะนะพอมันจะใกล้กลกลๆเฉียดๆหน่อยบ้างอะนะะไม่นึกเลยแม้แต่น่าเห็นใจนะอมาด้วยเหมือนกันอะไรงั้นไปอีกยาว นัขาสมุทยัยนัขาเนี่ยกระทุกษัตนะเนะี่ยใช่ตัณหาในการก่อนเป็นเหตุให้เกิดนัาขานั้นเป็นเป็นอะไรสัตว์สมุทัยสัตว์ถ้าเพลิดเพลินในนัาขานั้นเป็นสมุทัยสัตว์เพื่อนัาขาอันต่อไปเนี่ยนะทีนี้ก็เป็นสุนักขานี่ลำบากเลยนะเออนัาขานี่แปลว่าเล็บใช่ไหมสุนัาขาสุตัวนั้นแปลว่าดี หรือว่างามสุนัขขาก็คือผู้มีเล็บงามเนี่ยนะมัว แ, แ, แต่แต่งเล็บกันลาบากเลยกันนี่เล็บงามเลยครับนี้แต่กุยอย่างเดียวละมันก็พิจารณานะั่นนัขานัขาสมุทยัยนักขานิโรธนัขานิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะหวีผมทีหนึ่งก็เกยสาเกยสาสมุทัยเกยสานิโรธเกยสานิโรธคามินีปฏิปทาเนีน่ยนะให้มันเฉียดเฉียดบ้างเลยนนะ เชิญพอนให้ได้พิจารณาบ้างในไหนก็จะคิดแล้วอ่ะเป็นสีสฟ้าบ้างสีม่วงบ้างันเป็นเกษาเกษาสมุทัยเกษานิโรธบ้างอ่ะนะเออนมีนะในพระสูตรหนึ่งในสังยุตติกานี่ยถ้าปวดปวดมเวทนาเวทุกขเวทนาทุกขเวทนาสมุทัย ทุกขเวทนานิโรธทุกขเวทนานิโรธคามินีปฏิปทานเนี่ยนะนวิต ก, กสูตรเนี่ยนะ น, นะวิต ก, กสูตรบอกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอย่าตรึกถึงอกุศลวิตกอัลา ม, มกคือการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะวิตตกเหล่านั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่เบื้องต้นของพรหมจรรย์ ย่อมไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเธอทั้งหลายเมื่อจะตรึกหมายคำว่าเมื่อจะวิตกกันนะเพิ่งตรึกอย่างนี้วันนี้ทุก <c oughs> ใช่ไหมนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทาเดียวนะข้อนั้นเพราะเหตุายเพราะความตรึกเหล่านี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นหรือเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์น่ะนะ ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และก็เพื่อนิพพานดูความพิสูจทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธาโราคามินีปฏิปทาในจินตสูตรอีกเหมือนกันเขาบอกว่าดูความพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยากคิดถึงอกุศลจิตอันลามก ว่า โ, โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดอย่าไปคิดเรื่องพวกนั้นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ประกอบด้วยประโยชน์อะไรเลยแบบนั้นก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิดพึงคิดอย่างนี้ว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โรธาคามินีปฏิปทาเนี่ยนะเสร็จแล้วในวิคาหิกะกถาสูตรเนี่ยนะบอกว่าโดยก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงอย่าพูดถ้อยคําแก่งแย่งกันนะอย่าไปพูดแก่งแย่งกันทะเลาะถกเถียงกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมนี้เรารู้ทั่วถึงธรรมนี้เป็นต้นเนี่ยนะบอกอย่าไปพูดอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูดพึงพูดว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธค้าคมินิปติ ป, ปทาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นไปกับด้วยประโยชน์นะเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เนี่ยนะ อกสูตรหนึ่งนะติระฉานนะกฐาสูตรเหมือนนดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าพูดติระฉานกถาติระฉานเนี่ยนะแปลว่าอะไรดีระฉาก็ดิระฉานก็คือพวกไปตามขวางเหมอ น, นะคือมันไม่ไปตรงแบบมนุษย์นะนะพวกนั้นเรียกว่าไปขวางอย่าไปพูดเรื่องติระฉานกถานนะเพราะขวางอะไรขวางสุขติขวางนิพพานเหมือนกันนะนะเช่นพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอํามาตเรื่องการบ้านการเมืองทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละสมัยนี้นะ เรื่องกองทัพเรื่องภยัยเรื่องรบเรื่องข้าวเรื่องน้าําผ้าที่นอนบุรุษสตรีเป็นต้นเนี่ยอย่าไปคุยว่างั้นอย่าไปพูดถ้าเธอจะพูดก็พูดว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทาย น, ท น, นี้ทนะุกนิโรธเนี่ยนะเนี่ยนะอันนี้ควรพูดว่างั้นนะเพราะฉะนั้นก็สาธายายให้เยอะๆ น, นะเนีเอามาตรึกมากให้ควรมาพิจารณาให้มากๆว่างั้นแต่ก็พูดให้ดีนะพูดผิดที่นี่ก็ลาบากใจเหมือนกันเดี <S <S <S ๋ยวก็บอกว่าเพราะว่าวาจาสุภาษิตต้องมีองค์ใช่ไหม รู้การลรู้เทศะรู้การรู้สถานที่รู้ผู้ฟังรู้บริษัทแล้วก็รู้เวลาด้วยนะเพราะในในสสูตรนี่นะตั้งแต่1น้่่าจะตรึก 2. ถ้าจะคิด 3. ถ้าจะพูดก็ให้คิดเออให้ตรึกให้คิดให้พูดเรื่องอริยสัจเนี่ยนะให้เรื่องอริยสัจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อกีก้เนี่ยที่ชวนเออถ้าหากว่า ในที่เดียวกันนะในสัจจะสังยุทธนะสัจจะสังยุทธ์ในวิตกสูตรเป็นต้นไปวิตกสูตรจินกระสูตรเป็นต้นนะนะวันเห็นเกสาก็นั่งท่องเล่นๆก็ได้เกสาเกสาสมุไทยเกสานิโรธเกสานิโรธคามินีปฏิปทาแล้วก็ต่อไปเออเกสาเนี่ยควรกําหนดรู้เกสาสมุไทยควรละเกสานิโรธควรทําให้แจ้งเกสานิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญเนี่ยนะเกเกษา แทงตลอดด้วยการกําหนดรู้เกสาสมุทัยแทงตลอดด้วยการละเกสานิโรแทงตลอดด้วยการด้วยการทําให้แจ้งเกสานิโรธคกามินีปฏิปทาก็ควรนะนแทงตลอดด้วยการเจริญเนี่ยนะทีนี้ก็เปลี่ยนไปอื่นๆอีกก็ได้เนี่ยนะนั่งดูก็เออมีขนมีเล็บมีฟันมีอะไรก็ว่าค่อยๆนั่งตรึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆเนี่ยนะใจกุศนะ ล, ลจิตคงเกิดเยอะเนาะแต่เชื่อมไหมอวิชชาเขาไม่ให้ทําหรอก เคยฟังไม่วิเคราะห์คําว่าวิชานี่หมายเขาว่าไงเขาวิเคราะห์ว่าย่อมไม่ได้สิ่งที่ควรได้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้เช่นนะักกายะทูตจิติความชั่วทางกายทางวาจานี่มันไม่ควรได้หรอกแต่มันทําให้ได้เนี่ยเพราะอวิชชาสุจิติต่างหลายควรได้แต่ก็ไม่ได้หรอกนะเพราะอวิชชาถ้าอาวิชชากลางกั้นเมื่อไหรก็หมดสิ้นเลยนะเพราะอะไรเพราะอวิชานี้เป็น เครื่องกลางกั้นอย่างเอกเลยนะไม่มีอะไรที่จะกลางกั้นได้มากเท่ากับอวิชชาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความไม่รู้ปกปิดซะอย่างเดียวเนี่ยนะสบายมากเลยนะอยู่ต่อไปเพลึนออกเพาราะฉะนั้นพรลทหารเนี่ยนะพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นพาลทหารเพราะทําลายกิเลสคือราคะโทสะโมหะทั้งหมดเหล่านี้นะซึ่งเขาเกิดขึ้นเขาสร้างแต่ความเสียหายให้แก่สัตว์ทั้งหลายตลอดเลยแล้วพอ ท่านก็เรียบเรียงเป็นคาถาว่าเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงทําลายข้าศึกข้างปวงกล่าวคือกิเลสมีราคะเป็นต้นด้วยศาสตราคือปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงได้รับขนานพนามว่าผ่ารหารันถ้าหากว่าผู้ที่ต้องการจะรู้รายละเอียดว่ากิเลสอะไรบ้างที่พระ อ, องค์ละได้แล้วนี่นะหรือว่าพระ อ, องค์นี้เจริญกุศลอะไรบ้างก็ดูในคัมภีร์อุทานนะ อาหุสูตรเล่มที่44เนี่ยนะข้อ135หน้า606เนี่ยนะแล้วก็อัตกถาก็อธิบายถึงกิเลสทั้งหลายแหละตั้งเยอะแยะนะก็ไปดูเอากันแล้วกันว่ากิเลสอะไรบ้างที่พระองค์ทรงละได้แล้วแต่ถ้าอดใจรอก็จะได้พูดถึงเรื่องกิเลสหลายชนิดแต่ถ้าจะพูดเรื่องกิเลสให้เยอะๆจริงๆก็ดูในคุ ธ, ธกะวิพัง อ น, นะคุตถกะวิพังคนะั้นในคมภีวิพังอ่ะนะคุตกะวิพังคพูดถึงแต่กิเลสหนึ่งสองสามสี่หกิเลส36กิเลสร้อยแทิฐิ62อโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะพูดถึงเรื่องกิเลสเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทว่ากิเลสชาติมีราคะเป็นต้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดชนะได้แล้วอันพระองค์ย่อมไม่กลับแพ้กิเลส ห, หนึ่งในโลก ย่อมไปหากิเลสชาติที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงชนะได้แล้วไม่ได้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่กลับไปพ่ายแพ้ให้กิเลสอีกเลยอย่างนั้นเ่นไม่มีกิเลสไหนที่จะมาชนะใจพระองค์อีกแล้วไม่มีหรือว่ากิเลสใดที่จะมาครอบนาพระพุทธเจ้าอีกนี่ไม่มีเพราะพระองค์นี้ชนะกิเลสโดยพระการทั้งปวงแล้วทีนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสกับนางตันหานางราคานางอรดีที่มายั่วยุนพระองค์ว่า พวกเจ้าจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเนี่ยคร sized. จะพาพระองค์ไปได้ยังไงว่างั้นตันหามีขายซ้านไปตามอารมณ์ต่างๆไม่มีแก่พระองค์ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อนำไปในพบไหนพวกเจ้าจักนำพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอารมณ์ไม่มีที่สุดไม่มีร่องรอยไปด้วยร่องรอยอะไรเนี่ย ว่าตันหานี่นะมีขายสร้างไปตามอารมณ์ต่างๆนะอารมณ์มีเท่าไหร่มีอารมณ์มี6เนาะคือรูปอารมณ์1นะอารมณ์คือรูปอารมณ์คือเสียงอารมณ์คือกลิ่นอารมณ์คือรสอารมณ์คือโพธพภะและอารมณ์คือธรรมอารมณ์อารมณ์หนะอารมณ์6เหล่านี้เนี่ยนะจะแบ่งเป็นรูปเนี่ยนะรูปคือรูปารมณ์เนี่ยสีบางอย่างที่เป็น อดีตมีไหมนี่สีที่เป็นอนาคตสีที่เป็นปัจจุบันสีภายในร่างกายเราเองกับสีภายนอ ก, นอกแล้วสีแบบหยาบหยาบมีไห ม, มเช่นอ่สีหยาบหน่อยก็คือเช่นสีของสัตว์อบายเนี่ยนะก็หยาบกว่ามนุษย์มนุษย์ก็ยังมีละเอียดละเอียดไปกว่านั้นอีกถ้ามนุษย์ก็หยาบกว่าเท<ถ>วดาหยาบกว่ารุกขกเทวดารุ ก, กเทวดาก็หยาบกว่า ชั้นจาตุมจาตุมก็หยาบ ก, กว่าชั้นดาวดึงเนี่ยนะเรื่องเรื่องของสีสันเนี่ยก็หยาบละเอียดแตกต่างกันเยอะแม้แต่สีของเทวดาก็หยาบ ก, กว่ากว่าพรหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของรูปทั้งหลายแหละก็ยังมาแบ่งเป็นหยาบละเอียดเลวปณะนีดแล้วก็สีที่ใกล้สีที่ไกลเนี่ยนะก็ตันหาที่มันสร้างไปในรูปเสียงเหล่านั้นเป็นต้นนี่ยนะไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้าอีกแล้ว ถามว่าตัณหานี่เกิดเพราะอาศัยอารมณ์คือสีเป็นต้นใช่ไหยถ้าผู้ที่พิจารณาสีอย่างละเอียดแลว้วตัณหาก็จะไม่เกิดในสีเหล่านั้นนั้นเลยเพราะอะไรเพราะเขาพิจารณาสีเหล่านั้นสีมีอะไรเป็นปัจจัยนะสมมติเนี่ยยกตัวอย่างน่าเห็นดอกไม้คุณวิลาวันเอามาเนี่ยนะสีอันนี้มีอะไรเป็นปัจจัย ม, มีมหาภูตรูปสีเป็นปัจจัย เนี่ยนะเป็นปัจจัยอะไรเป็นสหชาตะปัจจัยเป็นสหชาตะนิสยปัจจัยเป็นสหชาติิปัจจัยเป็นสหชาตะปัจจัยมีอุตูเป็นปกตูปะนิสยปัจจัยให้อนะันนถ้าสีภายนอกจริงๆไม่มีอะไรเยอะให้พิจารณามากมายแต่ถ้าหากว่าสีภายในเช่นสีของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยนะสีของผมเนี่ยนะมีมหาภูตรูปนั่นแหละเป็น ปัจจัยเนี่ยนะสหาชาตะนิสยะอัตเอวิคตาปัใจจัยให้แล้วมหาภูตารูปอันนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยนะมหาภูตารูปบางอย่างมีนา น, นักขาคณิกกรรมะในอดีตเป็นปัจจัยมหาภูตารูปบางอย่างมีจิตเป็นจิตเป็นปัจจัยจิตเป็นอะไรจิตเป็นสหาชาตะปัจจัยเป็นต้นให้แก่ผมอันนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้ากลัวอะไรแล้วผมมันตั้งหน่ยนะ เนี่ยนะผมเนี่ยตั้งขึ้นเลยนะถ้าเครียดมากๆเนี่ยไปก็จิตเป็นปัจจัยแก่เส้นผมโดยมัง่งกันแล้วก็จิตเอ่อเส้นผมเนี่ยนะในในนั้ น, ะ น, น, นนะที่เป็นมหาพูดก็มีอาหารบางส่วนเป็นปัจจัยแล้วก็มีอุตุเนี่ยนะอุณหภูมิทั้งจากภายในและจากภายนอกเป็นปัจจัยเรียกว่ามีอุตุเป็นปัจจัยเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าจิตเนี่ยเป็นปัจจัยโดยสหาชาตปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะถ้ากรรมนาดีเป็น นานัขากนีก้กรร ม, มะปัจจัยให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้กิเลสเป็นต้นก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เนี่ยนะก็พิจารณาเอากันแล้วกันทีนี้ถ้าหาว่าเกิดการพิจารณาผมทั้งหมดพร้อมทั้งปัจจัยแล้วนะก็ไข่ครวญอย่างยกตัวอย่างนะว่าเออผมในะอดีตชาติเนี่ยมีติดมาสักเส้นหนึ่งไหมติดมาแส้ชาตินี้เลยนะผมอดีตชาติเนี่ยม่มีใครติดเลยติดมาก็แย่แล้วนะคงแย่มากนะ เพราะฉะนั้นไอ้ผมในอดีตเนี่ยมันก็ร่วงมันก็หลุดมันก็หมดในอดีตชาติหมดแล้วไม่เลยเหลือถึงชาตินี้หรอกอ้าวแล้วผมของชาตินี้มันจะไปเหลือไปถึงชาติหน้าเอาไหมเอาไปสักหย่ำหนึ่งเอาไปสักจุกหนึ่งนะไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีไปถึงมันจะร่วงมันจะหมดอยู่ในชาตินี้นี่แหละแล้วผมเนี่ยนะเปลี่ยนของพ้านเนี่ยโกนก็ทั่วๆไปก็นิยมโกนเดือนละครั้งเนี่ยนะบางวัดก็ครึ่งเดือนครั้งแต่ในพระวินัยบัญญัติแสดงไว้ไม่เกินสองเดือน นึงไม่ให้เกิน2เดือน2ไม่ให้ยาวเกิน2 อ, องค์คุลีอยู่ในระหว่างนี้วันไหนก็ได้เนี่ยนะไม่ให้เกิน2เดือนหรือถ้ามันช่วง2เดือนแต่ยาวจะเกิน2 อ, องค์คุลีก็โกนซะก่อน2 อ, องค์คุลีบางกันแท้มีเงื่อนไขยอยู่เท่านี้นะก็ต้องปรงผมไปแต่ทั่วไปก็เลยมีปกติว่าจะโกนประมาณสัก14คสี่ค่ก่อนวันพระเนี่ยนะสิบ่ค่ก่อนวันพระใหญ่ก็จะโกนแถวๆนั้นอนะ่ะกเลยเป็นประเพณีกันไปเพราะฉะนั้นที่จริงแล้วก็ ถ้าของพระจะพิจารณาผมก็โอ้ไอที่ปลงเดือนที่แลว้วก็ไม่เหลือถึงเดือนนี้หรอกว่าไงนะแต่แล้วก็พิจารณาอย่างนี้ต่อไปมากๆบ่อยๆเข้านะแล้วก็อย่างนี้เขาเรียกทาอะไร <c oughs> ตีรณะปริญญา <c oughs> พิจารณาผมพร้อมทั้งปัจจัยนั้นเป็นยาตาปริญญาใช่ไหมถ้าการไคร้ครวนแบบนี้ของเราก็เอาแต่ละทรงก็ได้ช่วงทรงนี้ก็ไม่ถึงทรงนี้เป็นด้นนะก็พิจารณาไปงั้นมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะอะไรเปลี่ยนไปสิ้นไป เป็นทุกข์เพราะคําว่าน่ากลัวนี่มันภาระเยอะนะบางคนอาจจะไม่กลัวนะแ ต, แต่อาจจะนึกถึงภาระเอต้องสะต้องยอมต้องอะไรอีกแล้วนะหไม่เที่ยงด้วยภาระต้องบํารุงด้วยแล้วยังมีอะไรอีกแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่ใจเรานึกด้วยเนี่ยนะอยากร่วงมันก็ร่วงไปถึงเวลาไม่ได้ปัจจัยก็ร่วงไปอะไรไปหมอเล่าให้ฟังว่าร่วงวันประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมมากมากนี่ นะวันหนึ่งร่วงประมาณห้าสิบเส้นนะสำหรับคนผมดกๆหน่อยใช่ไหยนะีนะ <c oughs> นะ่ก็บริหารไปแต่เนี่ยนะนะไอ้ร่วงก็ร่วงไปงอกไม่ก็งอ ก, ก, อกไปก็ดูแลกันไปนเปืองยาสระผมอะไรอีกไปเยอะแยะไปหมดเลยนะอันถ้าหากว่าเกิดการไคร้ครวนมากๆด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกแปรนาตาเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะภายในอย่างเดียวพิจารณาผม ภายนอกด้วยพิจารณาทั้งภายในภายนอกด้วยพิจารณาผมแบบชนิดหยาบชนิดละเอียดทั้งเลวทั้งประเี๊ยดใกล้ๆก็พิจารณาให้หมดนั่นแหละโดยความไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเลยนะไม่มีไม่มีนิจจาศาระอยู่ในเส้นผมเลยเนี่ยนะไม่มีความเที่ยงมีความสุขอยู่ในนั้นไหมไอ้สุขเพราะเพลิดเพลินเนี่ยมีไม่เถียงหรอกแต่ว่าตัวความสุขจริงๆจากเส้นผมเนี่ยมีไหมไม่มี แล้วถามว่ามีอัตตาอยู่ในนั้นไหมก็ไม่มีถามว่างามไหมถ้าดูเฉยๆเนี่ยนะถ้าอยู่บนติสตาเนี่ยดูเหมือนงามนะนเชื่อก็ลองถอนมาใส่าจานข้าวดวูจะเห็นชัดเจนเออใช่ไม่งามจริงๆเลยนะแต่ถ้ามันอยู่โดยธรรมดาทั่วๆไปก็เวลาเมาก็โอ้งามจัง น, นะนะเมาด้วยอำนาจราคาโทสะโมหะก็จะดูงามไปแต่ว่าถ้าหาว่าเกิดการทําปริญญาในผมทั้งบริบูรณ์ละเอียดเนี่ยนะ แต่ว่าผมเนี่ยเกิดเพราะปัจจัยเกิดนะผมจึงเกิดผมเกิดเพราะอะไรเป็นปัจจัยให้ผมเกิดนะอวิชชาเกิดนะผมจึงเกิดเพรา ะ, ะ, ะกรรมเกิดผมจึงเกิดเพราะผมแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยเนื่องจากกรรมที่แตกต่างกันแล้วก็เนื่องจากตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยเนี่ยนะจึงทำกรรมขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารหรือมหาพูดเนี่ยนะ แล้วก็ความเกิดขึ้นของผมที่เป็นไปอย่างสืบเนื่องกันมาในลักษณะนี้ทีนี้ถ้าโดยปกติของปุทุชนทั่วๆไปนะทิ้งผมอันนี้ก็ไปหาผมอันใหม่ขึ้นมาอีกใช่ัหมทิ้งผมอันนี้ก็ไปหาผมอันใหม่แล้วที่ไหนมันจะสิ้นสุดผมสักทีหนึ่งใช่ไหมต้องเสร็จเออกระว่าต้องสะต้องวีอย่างนี้ไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะนะ ถ้าหากว่าผมร่วงเส้นหนึ่งเก็บไว้ร่วงเส้นหนึ่งเก็บไว้สงสัยเนี่ยจะเอามาทําที่นอนได้สบายๆเลยนะผมเนี่ยนะผมของคนเดียวนะทำที่นอนของตัวเองได้อย่างสบายๆเลยนะก็นอนทับผมไปที idor. นี้ก็เก็บผมของแต่ละชาติเอาไว้แต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยนะอดีตชาติมีเส้นผมมาเท่าไหร่นี่ก็เก็บเอาไว้แล้วแล้วก็อนาคตชาติที่จะเกิดต่อไปต่อไปต่อไปก็เก็บผมรวมไปหมดเนยนะสงสัยโลกนี้จะเดินเหยียบแต่ผมของตัวเองอย่างเดียวนะ ทำนาบนผมนอนบนผมกินบนผมอะไรบนผมเบ็ดเสร็จหมดเลยนะมันมากขนาดนั้นเนี่ยนะถามว่าจะจะแก้มันยังไงอ่ะถ้าจะตัดแล้วเบื่อพอเต็มทีแล้วผมเนี่ยสะไม่ไหวแล้วว่า ง, งั้นเด้อเห็นโทษแล้วเกินเนี่ยทำไงดีละอวิชาอาวิชาจะละได้ยังไงก็ละได้ด้วยการรู้ว่านี่ผมเกสาเกสาสมุทัยเกสานิโรธเกสานิโรธาคามินีปฏิปทา เข้าไปใข่ควรเกสาลักษณะนั้นเนี่ยนะโดยเพ่งพิจารณาเกสาโดยอริยสัตว์นี่นะถ้าเห็นอริยสัตว์ตันหาก็ไม่เพลิดเพลินในเกษาเนี่ยนะทีนี้ถ้าตันหาดับอะไรดั บ, าาดบถ้าตันหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับเจตนากรรมที่เป็นเหตุให้มีผมอันใหม่ก็ดับถ้ากรรมนั้นดับผมก็ดับ ถ้าผมดับอะไรดับชรามรณะก็ดับถ้าชรามรณะดับเนี่ยนะที่จะโศกะเพราะผมเนี่ยมีไห ม, มนะโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาเพราะผมก็ก็ดับไป<ม>เพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นเหตุให้โศกะปริเทวะแล้วก็ผมเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันนะเวลาคนมาจับมาดึงมาอะไรเนี่ยนะทุกขะกายวิญญาณหรือเสียใจเนืองๆเพราะ เส้นผมเนี่ยนะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาต์ก็คับแค้นอยู่ในเส้นผมเนี่ยแหละเนี่ยนะฝังก็ถ้าหากว่าพิจารณามากๆความกำหนับความเพลิดเพลินในเส้นผมก็ดับถ้าหมดดับความเพลิดเพลินได้อุปาทานก็ดับถ้าดับอุปาทานภพก็ดับเนี่ยนะเจตนากรรมก็ไม่มีถ้าเจตนากรรมดับปฏิสนธิในภพต่างๆก็ดับถ้าปฏิสนธิดับชาติก็ดับเนี่ยนะ ขอพายชารามรณะก็ดับชารามรณะโศกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตก็จักดับแต่ถ้าหากว่าไม่ดับล่ะถ้าไม่ดับเลยนะไม่ดับตัณหาไม่เห็นเกสาเกสาสมุทยัยเกสานิโรธไม่เห็นเลยนะไม่เห็นอย่างนี้ล่ะเพลเอโอ้โหกางกั้นไม่เห็นอย่างนี้หละแล้วตัณหาก็ชอบโอ้โหเตรียม ท, ทําโน้ตไว้เลยนะเดือนนี้ทรงนี้เดือนหน้าสรงนั้นเดือนหน้าแต่ละเดือนเนี่ย ตั้งตั้งใจใหม่หมดเลยเปลี่ยนทรงไปเรื่อยๆเนี่ยนะนะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีเปลี่ยนสันฐานเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนก็หลายๆเปลี่ยนเนี่ยนะเสร็จแล้วก็อย่างที่ว่าไปเนี่นะถ้าผมดกดกเก็บไว้วันละห้าสิเส้นห้าสิบเส้นชาตินี้ก็ได้ที่นอนสบายๆที่หนึ่งเนี่ยนะทําผ้าห่มได้สบายๆเลยนะเป็นเครื่องนุ่งห่มแบบสบายๆเลยนะถ้ามาถักก็เป็นผ้าขนสัตว์อย่างดีที่ห่มคนเดียวเนีอยผ้ากาพลอย่างนั้นเลยผมตัวเองอะมันนุ่งไล่สบายๆเลยนะ แต่ถ้าอย่าลืมนะว่าเก็บผมไว้แต่ละชาติทุกชาติทุกชาติทุกชาติทุกชาติาตไปเนี่ยโอ้โหสายทำนาบนผมของตัวเองได้เบ็ดเสร็จหมดแต่ะนะเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้แหละอวิชาถ้ากลางกั้นไม่ให้เห็นเกษาเกษาสมุทัยเกษานิโรธเกษานิโรธาคามินีปฏิปทาตันหาก็เพลิดเพลินในผมอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็นะเตรียมหายาสับผมมาไวๆๆ้เยอะๆเถอะเนกันทั้งเห็บทั้งเฮาทั้งอะไรสรารพัดก็จะเกิดแถวๆนั้นแหละ โอ้ยสมัยก่อนๆเนี่ยครับนั่งห้องเรียนอะไรนะอาจารย์เคยสอนมานเงี้ยนะติดเหบไอ้ติดห่าเนี่ยเป็นเป็นอะไรนะแฟชั่นหน่อยนะห้องนั้นไม่ติดห่าก็น่าดูเหมือนกันนะพูดถึงสมัยโบราณโบราณหน่อยนะเ่ า, า, าก็เห็ดนะนะเกิดถ้าจบที่นั่นมาต้องติดอันนี้มาใช่ไหม นะก็เป็นอย่างนั้นะก็ดูแลกันไปทีนี้ไม่ใช่ผมอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็เป็นลักษณะเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะนะไอ้ปัญหาเรื่องเรื่องผมมันเห็นทุกทันทีนะในขณะที่ไปตัด <c oughs> หรือว่าไปยอมไปอะไรนะร้อนก็ร้อนอบหัวเวลาที่ตัด้ากไวา้ปัตเรียมันไม่ดีนะ ทอนนะเว้ยเจ็บนี่เกิดจากจากปัญหาที่เราต้องการเรื่องของผมคุณจะอห่อมพูดอย่างไงว่าทำมัง้งผมโดนเนี่ยอ๋อผมตัดแล้วก็ไ้ปฏิเรี่ยนบางเดือเจ็บไปแล้วเรื่องอะนะก็พูดถึงพระมึงพระเขาทักโกนผมเนี่ยนะทำมือใหม่มาในเลือดอาบหัวย เวลาจะให้ไข่โกนนี่ต้องดูไข่โกนมากี่ครั้งแล้วเหมือ น, นั้นเนี่ยเลือดอาบหัวหมดก็อยู่นั้นแหละซ้ำซ้ำซากๆไม่มีเลิกสักทีนึ่งันกรรมฐานแรกๆนะของพระพิสูนเนี่ยพระพุทธเจ้าให้อะไรเกษาโลมาณขาทันตาตาโจเนี่ยนะฝันถ้าโกนมาหมดใบมีดโกนเยอะๆแล้วก็ให้มันนึกเออเวลาโกนหัวแครกหนังกับเกสา เกสาสมุทัยเกสาเนโรตเกสาเนโร ธ, าโรธาคามินีปฏิปทานไหนก็ยังดีนะของเราสาทีหนึ่งย้อมทีหนึ่งหรือว่าหวีผมครั้งหนึ่งก็เกสาเกสาสมุทัยเกสาเนโรตเกสาเนโร ธ, าโรธาคามินีปฏิปทานแทนที่จะเป็นนึกอย่างอื่นนะนะก็ให้มีธรรมะอย่างงี้ใส่ลงไปบ้างก็ตจัปปัญจการกรรมฐานแล้วก็ในอัตกถาวิพังก็อธิบายว่าถ้าตันหาจะชอบรูปเสียงเปิ่นรสและโภตพภะก็ไม่เกิน5้าอย่างนี้หรอก ก็คือสีก็จะชอบสีของเส้นผมเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะสีของเส้นขนของเล็บของฟันและก็ของผิวหนังเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นกรรมฐานในชั้นต้นเลยของคนที่ราคาจริตเนี่ยนะต้องพิจารณาอันนี้ให้กิเลสเนี่ยสางสาลงไปบ้างก่อนถ้าไม่อย่างนั้นก็นั่งงามอย่างเดียวก็ไม่ต้องแล้วสมูทายอะไรก็ไม่เอาสักอย่างเลยนะนิวรมันเข้ากลุ่มรวมหมดน่ะเพราะว่าคนที่ นิวรณ์กลุ่มรวมแล้วก็ปัญญาก็จะไงอ่อนกําลังใช่ไหมที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ในทเวทาวิตกสูตรที่กล่าวว่าอากุศลวิตกเนี่ยนะเมื่อเกิดขึ้นก็เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายทําปัญญาให้ดับเนี่ยนะทำให้เกิดความขับแค้นแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานอันเวลาที่ที่ราคะเป็นต้นย้อมย้อมจิตแล้วนะก็จะ จิตก็จะกำเริบแล้วในขนาดนั้นเมื่อจิตกำเริบก็ไม่รู้อัดไม่เห็นธรรมเลยเมื่อไม่รู้อาดไม่เห็นธรรมเพราะฉะจิตชนิดนี้ครอบอโลภะชนิดนี้ครอบงามหรืออกุศลวิตกเหล่านี้ครอบงามแล้วก็มันมีแต่ความมืดแล้วค่ะนี้ทีนี้ถ้าอาวิชชาเป็นปัจจัยอะไรเกิดขึ้นถ้าถ้าไม่เห็นสัจจะในสิ่งนั้นอะไรจะเกิดต่อไปอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร น, นะคะนี้สังขารออกมาไงบ้างทั้งกายกรรมเ อ, อยวยวจีกรรมเ อ, อยมนโนกรรมเอวเนีย่ยนี ที่ที่มีวิชาเป็นปัจจัยเพราะไม่รู้สัจจะอันนั้นทีนี้คํคดด า, าพูดทุกคำนี่นะําเกิดได้ไหมอย่างขอมาพูดทุกคำเนี่ยนะทุกคําที่พูดเนี่ยนำเกิดได้หมดเลยนะนำให้สู่พบใหม่พบใหม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นทุกๆคําที่หลุดออกไปเนี่ยสร้างพบสร้างชาติเท่าไหร่แต่ทีนี้ก็ดูว่าถ้าพูดด้วยกุศ ล, ลจิตก็เออพบดีหน่อยใช่ไหมวิบากและกรรมชรูปอันใหม่ก็ดีหน่อยถ้าพูดด้วยอกุศลก็วิบากและกรรมชรูปอันต่อไปก็ไม่ดีเห็นไหม เพราะฉะนั้นอณิสทั้งกายกรรมวิจิกรรมมนโนกรรมก็เป็นสังขารเพื่อให้เกิดในพบใหม่วิญญาณที่พบใหม่เมื่อปฏิสนธิวิญญาณเกิดนามรูปก็ยังลงเมื่อนามรูปยังลงอายตนะก็เจริญขึ้นทั้งเช่นตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเจริญขึ้นเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายก็กระทบกับอารมณ์ก็มีภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตันหาก็อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบทากรรมใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นปฏิสนธิในพบใหม่อีกก็จะเกิดขึ้นเนะเป็นชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายากวัตุทุกขัางหลายก็จะดำเนินไปด้วยอาการอย่างนี้นี่เองนี่นะแล้วก็ในในทุก ๆ, ๆ أو, อารมณ์ก็ควรใคร่ครวนให้มากๆส่วนอรหังในที่สนีคงไม่ทันนะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างกว้างขวาง เนี่ยนะซึ่งแต่ก็วันนี้ก็ถือว่าได้อาอรมพระบทไปเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะซึ่งจะอธิบายอารหังในที่สมไปบ้างพอสมควรแล้วนะซึ่งเสาหน้าก็จะได้ขยายกันต่อไปอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงจบก็เจริญพุทธคุณได้ก็พอใจนะถ้าหากว่าอ่านซะจบหมดเลยแต่เจริญพุทธคุณไม่ได้เท่าเดิมก็โหน่าเสียใน่าสงสารนะนะทั้งสองฝ่ายนะ สงสารคนพูดก็ขคอก็เจ็บสงสารคนเรียนเวลาก็เสียเนี่ยนะกลับบ้านทํางานบ้านก็ไม่ได้การอะไรสักอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะเสียแบบนั้นนะควรที่จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไปเนี่ยนะพันก็ถ้าเจริญพุทธคุณได้เวลาไหว้พระทีนี่ก็อารหังเนี่ยนะอย่างเหมือนตอนนี้จะไหว้พระกันใช่ไหมอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระคกวาก็เอออารหังเนี่ยไกลจากกิเลสเหล่านี้ทั้งหมดนะให้น้อมจิตไปแบบนั้นสักทีหนึ่งก็อันนี้ก็นับว่าเป็น มหากุศลอย่างมหาศาลเนี่ยนะลองลองเปิดดูหน้าเก้านิดหนึ่งนะข้อความในคาถาธรรมบทนะในหน้าเก้านะดูกันนะเนี่ยนะพูดถึงอา น, นิสงส์ของการบูชาของการนอบน้อมนะเวลาเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะที่พลงตรัสว่าใครๆไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาซึ่งปูชาระหะบุคคลระหะตัวนั้นเนี่ยนะแปลว่า อระหะตัวนั้นแปลว่าผู้ควรนะแปลว่าควรเหมนนเถอะผูู้ชาอระหะบุคคลก็คือบุคคลผู้ควรบูชาได้แก่พระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ก้าวล่วงธรรมะคือเครื่องเนื่อนช้าผู้ข้ามความโศกและความร่ำไรได้แล้วว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้เวลาที่เราบูชาบูชาเนี่ยด้วยทวารกายเช่นยกมือไหว้บูชาบูชาด้วยทวาวาจาเช่นกล่าวคา สรรเสริญหรือบูชาด้วยใจด้วยแสดงความนอบน้อมด้วยจิตเนี่ยนะแสดงความเคารพด้วยจิตเนี่ยนะกุศลเหล่านี้เนี่ยนะใครๆไม่สามารถจะนับบุญของเขาได้หรอว่ามีกี่มีกี่ลิตเนี่ยนะหรือมีกี่ถังหรือมีเท่าไหรเท่าไหร่ที่แท้แล้วสิ่งเหล่านี้ก็นับว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลเลยนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เวลาสวดมนต์ไหว้พระก็ให้ระลึกนึกถึงคุณต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะได้ใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น นะมีใครจะถามอะไรได้ไหมาบก็ได้เหมื อ, อนกันแต่นี้ถ้าเรานี้ก็เอานิ้วทั้งสิเนี่ยนะประนมแทนดอกบัวก็เทียบว่าบูชาเหมือนกันนะนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะเพราะว่าวัตถุเป็นเครื่องบูชาได้แก่ข้าวน้ําผ้ายวดยานพาหนะดอกไม้ของหอมประทีบโคมไฟที่นอนทั้งหลายนี่ก็บูชาได้หมดเป็นเครื่องบูชาเนี่ยนะเช่นดอกบัวอะไรทั้งหลายแหละก็บูชาได้หมดเลย หรือบูชาด้วยปัจจัยสี่หรือบูชาด้วยรูปเสียงกลิ่นรถและโพธพระธรรมรมก็อบูชาได้เลยนะแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวเนี่ยนะทั้งทางกายทางวาจาทางใจด้วยกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะก็น้อมเป็นพุทธบูชาแก่พระองค์ด้วยได้นะครับทำได้หมดเลยและพระองค์สรรเสริญการปฏิบัติบูชาซะด้วยซนะ้าไปทำเป็นเครื่องเนิ่นช้าได้แก่ตันหามานะและทิฏฐิที่เกิดใน อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะถ้าตันหาเป็นเครื่องเนิ่นช้าก็เช่นเพลิดเพลินในผมก็นั่งแต่งผมอยู่อย่างเดียวนั่นแหละที่เรียกว่าเพลิดเพลินในผมตันหาที่เพลิดเพลินในผมอย่างหนึ่งนะถ้ามานะเพลิดเพลินในผมก็บอกโอ้ผมเรางามที่สุดเลยเนี่ยนะถ้าลักษณะมาณนะอันนี้สําคัญว่าดีกว่าเขานะหรือสำคัญว่าผมเราเนี่ยนะงามเท่าคนอื่นหมดเลยนี่ก็มานะอย่างหนึ่งหรืออย่างหนึ่งก็บอกเราเนี่ยผมเรานี่ห่วยกับเขาหมดเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มานะหมดนะคิดยังไงก็มานะหมดแหละ ผมเราเนี่ยงามกว่าคนอื่นก่อมานะอย deadline, nah III, ่างหนึ่งเท่ากับคนอื่นก่อมานะอย่างหนึ่งเลวกว่าคนอื่นก็มานะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบอย่างนี้เมื่อไหร่มานะหมดเลยเพราะอะไรเพราะผมมันไม่เที่ยงไม่รู้จะเอาไปเปรียบทําอะไรนะกับของไม่เที่ยงเป็นทุกแปรหน้าตาเหมือนกันไม่รู้จะเอาไปเปรียบทําอะไรเนี่ยนะแล้วต่อไปถ้าทิฏฐิล่ะบางคนเนี่ยนะโอ้โหใครให้ผมมานะงามจังเนี่ยนะนึกถึงผู้สร้างทั้งหลายเนี่ยนะ ที่สร้างผมมาให้อันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของทิฏฐิหรือบางคนเนี่ยคิดว่าโอ้โหการที่เราเนี่ยนะตัดผมไปทาบางอย่างเนี่ยนะทำให้มีผมงามขึ้นอย่างเงี้ยนะเช่นถ้าเราตัดผมนี่นะไปให้ต้นไม้นะอันนี้สรงอันนี้เนี่ยจะทำให้เรามีผมดกผมงามขึ้นอะไรพวกนี้ก็เป็นทิฐิทัท้ทงนั้นเนี่ยนะนนะหรือบางคนก็อาศัยกันว่าเออถ้าแต่งผมทรงนี้นะเป็นศีลอย่างหนึ่งเป็นพรตอย่างหนึ่งเช่นบางรับที่นี่นะเขาเอา เสี้ยนบางอย่างเนี่ยมาถอนผมนีอันนั้นเป็นทิฏฐินียโดยที่มีความเนื่นช้าเหมือนกันอย่างหนึ่งเขาเอาเสี้ยนตามเสี้ยนอะไรเนี่ยมาถอนผมออกทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นเนี่ยนะเป็นเป็นกติกาการบวชของลัทธินั้นๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งว่าเรียกว่าเครื่องเนื่นช้าทั้งตันหามานะและทิฏฐิเนี่ยน ะ, ะส่วนอื่นๆก็เหมือนเหมือนกันนะแต่ว่ายกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างธาตุไหนธาต ดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอ๋อเป็นธาตุดินนะใช่เออธาตุดินก็ไม่เที่ยงนั่นนะเป็นทุกข์ด้วยนะเป็นอนัตตาด้วยไม่มีสาระเลยนั่นนะก็เป็นพระธาตุนั่นแหละก็ไหนนะคือก็ต้องแล้วแต่ผมใครนั่นนะเขาใช้คําว่าพระนี่นะหมายคว่าเขายกย่องว่าสิ่งนั้นประเสริฐเช่นอ่าเกสาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นวัตถุเป็นที่อาศัยทําให้ระลึกถึงคุณของพระองค์กราบไหว้ก็เป็น เป็นบุญเป็นกุศลไปเขาเลยยกย่องว่าที่จริงภาษาบาลีใช้คําว่าทาตุใฉยๆนั่นแหละแต่ว่าของไทยเราก็จะยกย่องนะเราก็จะยกย่องเลยใส่คําว่าพระนำหน้าเรียกว่าพระาธาตุเนี่ยนะแต่ที่จริงก็คือปัตวีาธาตุแต่เป็นปัตวีาธาตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยกําหนดรอบรู้แล้วเนี่ยนะก็คือให้ได้ระลึกถึงคุณของพระองค์นั่นเองเนี่ยนะไม่ใช่ไปผูกพันในในในเส้นเกสาเหล่านั้นอะไร